กลับนักาการพระอาจารย์ครับอาจารย์ครับพระอาจารย์วันนี้พระอาจารย์เหมือนเสียง ข, ดขาดๆไหยครับพระอาจารย์จา<ะ><ะ>ันเอ้ยดีแล้วครับดังแล้วครับผมอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับอาจารย์ครับเมื่อเช้าคนไปใส่บาตได้เยอะไหมครับผมก็สี่ร้อยยี่สิบแดคน ทางบ้านีประมาณร้อยแปดสิบบาทไสทางบ้านอ๋นอเดี๋ยวนี้ยืนพื้นมาแล้วหกร้อยนะครับะอาจารย์นอนึ่เนหกร้อยวันอาทิตย์วันสันนี้ก็สามร้อยเจ็ดสิบกว่าเมื่อวานนี้ครับผมถ้าเป็นวันพระด้วยนี่เกินเลยก็ประมาณสีรณ400่ร้อยบนิดหน่อยก็แล้วแต่ วันนี้จะใกล้เคียงกันครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้ตั้งหัวข้อเรื่องที่เราสวดมนต์กันเป็นประจำทุกวันครับเพราะว่าช่วงนี้คนเจ็บผมรู้สึกคนเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะเหลือเกินครับก็เลยอยากขอปัญญาพระอาจารย์ครับว่าเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดานี้ขอปัญญาจากพระอาจารย์ด้วยครับกับข้อความนีไม้ไปครับการสวดหรือ ก, กรารระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตาย ความพัดผาจากกานันนี้มันเป็นเหมือนกับการฉีดวัคซีนเนี่ยเช่นถ้าเราฉีดวัคซีนโควิดถ้าเราไปติดโควิดมันก็จะไม่รุนแรงอาการก็จะไม่รุนแรงไม่ถึงกับตายอย่างใดคนที่มันพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและต้องพัดผ้าจากบุคคลต่างๆไปถ้าเราคิดพิจารณาบ่อยๆเพราะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมา โดยเฉพาเวลาที่เราต้องสูญเสียคนที่เรารักไปเราก็จะไม่ถึงกับเสียหลักเศร้าโศกเสียใจอย่าล่างถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเราก็จะรู้สึกว่าอาจจะเศร้าบ้างแต่ไม่ถึงกับเสียเสียหลักเสียสติไปเพราะว่ามีภูมิภุ้มกันอยู่เพราะเราเมื่อเราพิจารณาแล้วเราก็ต้องคอยเตรียมตัวเตรียมใจ ไห้รับกับเหตุการณ์แล้ววัคซีนก็มีแบบเบากับแบบหนักถ้าอยากจะแบบได้วัคซีนแบบที่มันมีพลังมากก็ต้องไปดูของจริงครับไปดูคนแก่ตามบ้านคนชราบ้างดูคนเจ็บไข้ได้ป่วยตามโรงพยาบาลบ้างดูศพของคนตายบ้างแล้วเฉพาะคนที่เรารู้จักเลยถ้ามันดูแล้วมันก็จะทำให้เกิด การน้ำนึกถึงความจริงอันนี้ว่าในที่สุดต่อไปเราก็จะต้องตายคนที่เรารักเรารักเราห่วงก็ต้องตายเหมือนกัน ถ, ถ้ามันไปกระตุ้นปัญญาให้เราให้เรานึกถึงความจริงอันนี้ได้เนี่ยมันจะฝังอยู่ในใจเราแล้วเวลาเจอกับการสูญเสียกับของคนที่เรารักคนที่เราห่วงหรือห่วงเนี่ย เราจะไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่เพราะเราจะทำใจเพราะเรารู้ว่าน้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่เตรียมไม่ไ ม, ไม่ไม่ดูเลยไม่เห็นเลยไม่ยอมรับความจริงอะไรคนบาคนไม่ยอมคิดถึงความตายเลยคําว่าตายนี่ห้ามใช้ในบ้านเลยในบริษัทเลยในอะไรต้องเปลี่ยนเป็นคําำตายในสังคมยังไม่ไม่นิยมใช้คําตายเลยคนตายก็เรียกว่าคนเส้นลมบ้าง คนหมดดมบ้างคนสิ้นบุญบ้างมีคำแทนคำตายเยอะแยะไปหมดแต่ไม่ใช้คำมาตายเพราะรู้สึกว่ามันสะเทือ น, นใจมันเหมือนเป็นยาเป็นวัคซีนที่บุแ๋แรงสตหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานของของปัญญาเลยขอคนที่นุ่มหลงกับชีวิตนุ่มหลงกับ ร่างกายว่าจะต้องเป็นร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ต้องอยู่ไปนานๆพอมาให้รู้ถึงความจริงอันนี้มันจะรับไม่ได้ก็ต้องพยายามฝืนบังคับตัวเองถึงแม้จะไม่ชอบก็ต้องยอมยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิยขึ้นกับทุกๆคนแล้วมันพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆพอมัน มันเข้าไปถึงขีดหนึ่งมันจะเริ่มพิจารณาเองว่าโอ้ต่อไปเราก็ต้องตายต่อไปญาติพี่น้องของเราก็ต้องตายคนที่เรารลกเราเขาลบก็ต้องตายคิดด้วยหมดเลยไม่มีโมันต้องตายกันทั้งโลกไม่มีใครเหลืออยู่สักคนหนึ่ง <Okay. S 1> ถ้ามีการเกิดมันก็ต้องมีการตายเป็นธรรมดา <c oughs> ถ้ามันคิดอย่างนี้มนมีอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเวลา ก, การการ การใต้ขึ้นมามันก็จะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดอันนี้ก็คือธรรมะพระเจ้านี้มีไว้เพื่อป้องกันความทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นมาและถ้ามีความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะสามารถดับแลอทําให้มันเบาบางไปได้ธรรมะพระเจ้าเป็นแค่นี้เป็นเครื่องดับทุกข์ไม่ได้เป็นเครื่องเรียมาส่งเสริมให้เราอยู่ไปมีอายุยืนยาวนานสุขภาพแข็งแรง จะเล่นด้วยอายุวันนัสุขกะพะละอันนี้เป็นเรื่องของความปรารถนาดีเวล า, าพระอวยพรสวดมนต์อายุวันโนสุขคำพละนี่นเป็นการอวยพรเป็นแสดงความปรารถนาดีขอให้จเจริญด้วยอายุวันนัสุขกะพละแต่ความจริงแล้วมันไม่เจริญหรอกมันมิตรจะเสื่อมใช่ไหมนี่ความจริงก็คือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราไม่ชอบบทนี่เราชอบบทอายุวนันโนสุขังพลังพอพระสวดศึกษาทุสาธทุกอต้องให้มาบุให้ถ้าให้สวดว่าต่อไปคุณจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาน้นองพอยคงไม่มีใครสาธุกจริงนะอาจารย์เป้าหมายก็คือให้เรามีอะไรมีสันตธรรมความจริงเตือนใจเรา ถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาได้เราสามารถมองทะลปุปุผงว่าในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างคนทุกคนในโลกนี้ก็ต้องถึงแก่ความตายเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงอันนี้นแล้วเวลาเกิดขึ้นใจเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจอาจจะเศร้าบ้างอะไรทํานองนั้นแต่ล้วก็รู้ว่าทำอะไรไม่ได้ยิ่งถ้าได้ปฏิบัติสมาธิจนถึงว่าเบขาเราจะเฉยเลยจะไม่เศร้าเลย เนี่ยเป็นธรรมดาจริงๆธรรมดาเหมาือนที่พระเจ้าบอกเหมือนฝนตกแดดออกเป็นั่งธรรมดาแต่ถ้ายังไม่ได้ฝึกสมาธิถึงขั้นอปปนาสมาธิยังไม่มีอเมุเบกานี่ใจอย่างเศ้าได้ถึงแม้จะพิจารณาอยู่นะเนี่ยก็ตามจริงนะครับพระอาจารย์ถ้าเกิดมีคนไปทาบุญแล้วพระอาจารย์ให้พรว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วนะเดี๋ยวก็ตายนะเขาไม่ได้ <laughs> <laughs> ไม่มาจ้ะไม่มีใรมาทำบุญนะสุดิ้มวันโอสุดทังพลังอ่ะอย่างนี้มาเยอะแต่วันนี้ก็มีคนมาขอพอรนะว่าวันนี้มันเกิดขอพอรหนออร่อยเราจ้ขพรขั้นไหนล่ะอขั้นหนักหรือขั้นเบาครับถ<อ>้าขั้นหนักก็ไม่ต้องกลับมาเกิดนะอยากกลับมาเกิดแต่ถ้าขั้นเบาล่ะครับอาจารย์ขั้นเบาครับ ข, ข, ขอให้สุขให้เจริญให้ร่ำให้รวยสวยไม่ส่างบาไม่รวย ครับผมอย่างนี้เขาจะชอบมากกว่ามากกว่าครับยิ้มสาธุกันทุกคนครับขอบคุณพระอาจารย์ครับเนิ่งทําน้าบางทีจะสอนคนก็ต้องดูก็กําลังของผู้รับเขารับได้หรือเปล่าบางคนที่ใจยังอ่อนมากบางทีพอพูดถึงเรื่องเหล่านี้นแล้วใจหน้าตาก็จะเหี่ยวเลยรกันบางทีก็รู้ว่าพูดไม่ได้นะ คุณดำถามครับพระอาจารย์บอกว่าทุกคนต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาความเจ็บไข้หนักๆมาถึงตัวเราเราจะมีสติเห็นตามความเป็นจริงโดยไม่ทุกข์ใจได้อย่างไรครับก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้สติมีกำลังควบคุมใจไม่ให้มีปฏิกิริยากับความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่ไม่มีสติไม่สามารถทําจิตได้เปนะ็นอุเบกขาได้ พอมันเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ภาวะตัณหาก็จะเกิดขึ้นมาความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปมันก็จะทำให้ใจเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาว่า ม, มันยังไม่หายเพั้นต้องฝึกสตินั่งสมาธิมากๆอันนี้เป็นตัวสาคัญปัญญานี่ใครพูดอยู่แล้วพวกเรามีปัญญากันมากฟังยนหูฉีกแล้วแต่สิ่งที่เราทำใจไม่ได้ ซื้อเครื่องมือที่ชาทำให้เราทําใจได้ก็คือสมาธินี่เราไม่มีกันเราไม่เจริญสติเราไม่นั่งสมาธิไม่ทําใจให้นิ่งเฉยให้เป็นอเวคาฉะนั้นปัญญานี้เรารู้ร่าว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจเราทําข้อสอบนี้ไม่ได้เพราะเราหยุดวิภาวดฐานหาไม่ได้ความอย่างไม่แก่อย่างไม่เจ็บอย่างไม่ตายไม่ได้ เพราะไม่มีอุเบกขาจิตไม่นิ่งถ้่เเข้าสมาธิจิต น, นิ่งสงบวิภาวะตัานหาก็จะหายไปโขกขึ้่มาไม่ได้ด <c oughs> ัาการฝึกสตินี่สำคัญมากเพราะสตินี่จะหยุดจะหยุดใจหยุดวิภาวะตั า, าหาได้ทำให้จิต น, นิ่งสงบได้โด <c oughs> ยเฉพาะเมื่อรู้ด้วยปัญญาแล้วว่าทำอะไรไม่ได้กับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายยิ่งปะยให้มันไม่แก่ยิ่งทอมานะ คนนี้สงสารอุตส่าห์ไปทําสัญญกรรมแล้วไม่ ร, ไรู้กี่รอบทาไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปทําใหม่เนีย่ยมันก็ย่นเนีย่ยมันก็เหี่ยวเองบางคนทำจนหน้าตาเล็บอะไรกันไหมเล็บเพราะสัญญกรรมไม่ได้สวยเพราะสัญญกรรมหน้าตานี้น่ลอยฟกช้าเต็นไปหมดเลยมนบางคนนี่หน้าไม่เป็นบปกติอะแต่เพราะเขาอยากจะไม่ยอมแก่อยากจะเป็นอ เป็นคนหนุมเป็นคนสาวไปเรื่อยๆพอมันเริ่มมีรอยเหี่ยวย่นก็ไปฉีดกันอะไใช่ไหมฉีดบูทอกบอทอกอะไรนะถ้ามากกวานั้นก็ทำสัญญกรรมมันก็ทำได้ช่วงครั้งช่วงมันก็มันก็ทําได้ระยะทันเวลาหนึ่งสี่ห้าปีเดียวก็ต้องทำใหม่แต่คนที่ไม่ยอมรับความจริงนี่เขาจะสู้นะเพราเรี่กหละคือชีวิตของเขาก็ต้องสู้ ต้องสวยต้องหล่อไปเรื่อยๆน่างกายับทุกข์เวลาทำไม่ได้เจะบอกเพื่อนๆทางติกต็อกว่าเริ่มถามถามเข้ามาได้แล้วนะครับเวลานั่งสมาธิแล้วตอนไหนถึงจะมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังได้ครับแล้วจะพิจารณาได้อย่างไรครับคือถ้าพูดตามแนวปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อน สามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วถึงค่อยมาเจริญปัญญาแล้วเวลาเจริญปัญญาก็ต้องไม่ใช่เวลาที่เรานั่งสมาธิเวลาที่เรานั่งสมาธิเราต้องการหยุดคิดพักจิตให้จิตมีกำลังกาลังหยุดกาลังหยุดกิเลสนั่นเองคืออุเบกขาใ น, นขณะที่จิตโดมเป็นสมาธิอยู่ในอุเบกขานีไม่ให้ไปทาอะไรให้ประคับประคอง สถานภาพานี้ให้ให้นิ่งให้สงบไปให้ได้เสร็จด้วยสติพอเจ็บต้องคิดปรุงแต่งอยากจะลูกว่าจะสร้างสติขึ้นมาใหม่พูดโธใหม่เพื่อให้มันกลับเข้าไปใหม่แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเรทนไม่ไหวแล้วแล้วนั่งตายมันเจ็บมากแล้วก็อาจจะลุกขึ้นมาแล้วก็มาถ้าอยู่ในขั้นถ้าเราสามารถถ้าเรามีชํานาญในสมาธิแล้วสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการ เอามาจากสมาธิแล้วค่อยมาพิจารณาอาการสามสิบสองเป้าหมายของการพิจารณาอาการสามสิองก็เพื่อให้เราเห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่สวยไม่งามตามที่เขาปูแต่งหลอกเราภายนอกเสร้งสวยความงามด้วยวิธีการกตา่างๆแต่ถ้าเรามองเข้าไปทะลุภายใต้ผิวหนังก็เจ้รู้ว่ามันไม่มีอะไรน่าน่าดูน่าชมเลยลเราพยายมามหมอพิจ า, ารณาดูาอาการัโดยเฉพาะอาการ ที่อยู่ภายใต้ผินหนังเช่นโครงกระดูกบอดหัวใจตับท้งผื่นไตอะไรต่างๆในลำไส้ให้เห็นอยู่เรื่อยๆเวลาเห็นร่างกายของใครก็เป็นเหมือนตาเอ็กซะเลยมองทะลุเข้าไปข้างในเลยถ้ามออย่างนี้แล้วการมาตัาหาความราคาต่าหาความกำหนัดยินดีในการเสด็กามัน ก, ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้อันนี้สำหรับคนที่เป็นนักบวชและคนที่ถือศีลแขึ้นไป ที่ถือศีลพระมจจรเนี้ถ้าเกิดความกำลัดยินดีเนี่นต้องมีอสุภะามาช่วยดับให้ถ้าอย่างว่าถ้าอาสุภะามาไม่ทันอย่างน้อยก็ใช้สติไปก่อนไม่ได้ถ้าฝึกสติเข้าสมาธิได้ก็หยุดความคิดปรุงแต่งเรื่องของความสวยงามไปชื่วคราไอันนี้ต้องเวลาอย่าพิจารณาร่างกายอาการสายสองนี่ต้องอยู่ นอกสมาธิไม่ใช่อยู่ในสมาธิไม่ทําในตอนที่เรานั่งสมาธิคุณแว่นครับเมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาคนส่วนใหญ่จะกลัวตายต่างทั้งที่รู้ว่าความเจ็บความตายความพลาดเป็นธรรมดาเพราะอะไรครับเพราะกิเลสตัณหามโมหะอวิชชาความหลงมันยังมันยังหลอกเราอยู่ว่าเราเร า, เราต้องอยู่ต่อไปเราตายไม่ได้ มันจะหลอกเราโมหะนี่ความหลงมันจะทำให้เราเกิดวิภาวะตัณหาเกิความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกอย่างหนี้นคือความอยากอยู่ของเราด้วยนะเป็นเหตุที่ทำให้เรากลัวตายเพราะเรารู้ว่าถ้าเราตายเราไม่สามารถหาความสุขจากอะไรในโลกนี้ได้แล้วแต่ถ้าเรายังอยู่เร า, ายังสามารถหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสได้อยู่ ความอยากอนี่ยกควาอยากหาความสุขจากภาพยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่นนี้ทําให้เราไม่อยากตายเงี้ยทำให้เราอยากอยู่กันแต่เราไม่เคยมองความจริงของร่างกายเลยว่ามันมันอยู่ไปได้ตลอดหรือเปล่าไม่ใช่ก็เลยมันก็ต้องถึงแก่ความตายไปด้วยกันทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ต้องตายพระอรหันต์ปัสสาวะอะไรก็ต้องตายแต่ตายท่านไม่เดือดร้อนเพราะใจท่านไม่ต้อง ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใกนการหาความสุขท่าน ต, ตัดกามาตัณหาได้ท่านก็เลยไม่ต้องใช้ร่างกายความอยากอยู่รือไม่มีความอยากไม่ตายก็เลยไม่มีเวลาร่างกายจะตายก็รู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนเพราะท่านยังสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่เกิดจากความสงบนี่ความสุขที่เกิดจากการไม่อยากมีอะไรต่างๆนี่แหละ ตอนนีที่ทำให้ใจสุขอย่างแท้จริงคารวาสามารถจะนิพพานได้ไหมครับได้อยู่ที่การปฏิบัติว่าเราสามารถปฏิบัติได้ครบร้อยหรือเปล่าทําข้อสอบได้เต็มร้อยหรือเปล่าถ้าทำข้อสอบได้ก็สามารถเป็นได้มไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นผู้นักบวชก็เป็นคารวาะ ที่นักบวชส่วนใหญ่เขาได้เขาเขาทํากันได้เพราะเขามีเวลาปฏิบัติมากกวา่าคารวะถ้าคารวะเนี่ยต้องไปทำมาหากินทํางานวันละแปดชั่วโมงเนีเดินทางไปกลับอีกสองชั่วโมงก่อนจะกลับมาบ้านพักผ่อนรับประทานอาหารเม่นานจะไปปฏิบัติมีมีทไหนไม่มีมันก็เลยไม่มีทางที่จะบรรลุกันได้ส่วนใหญ่ถึงต้องมาเป็นนักบวชกันเก้าสิบเก้าเปอร์เซนของ ของคนที่บรรลุปเป็นิพพานนี้เป็นนักบวชนะมีเปอร์เซนต์หนึนน่งอาจจะเป็นพวกที่พวกนี้ไม่ต้องทํางานฆราวาสเป็นฆราวาสแต่กเกษียณแล้วหรือว่ยว่างอยากพักและกิจการงานต่างๆสามารถให้กับเวลาปฏิบัติได้เหมือนกับนักบวชนะนีนนน้่ถึงอย่างบรรลุได้คุณหนุ่มน้อยครับบอกว่าพระสามารถจะใส่เสื้อกันฝนได้ไหมครับ ก็แล้วแต่นี่เป็นเรื่องขนบธรรม น, นประเพณีของของวัดแต่ละวัดที่แล้วแต่กับครูบาอาจารย์ท่านพิพจารณาอส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็จะมักจะใช้ร่วมกันมากกว่าการร่มเวลาฝนตกกันนะแต่บางกรณีอาจจะใส่เสื้อใส่เสื้อก็ได้บ้างเสื้อกันฝนอันนี้ก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องของจาริยประเพณีมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพระวิหาร การชนไก่ชนวัวเป็นบาปไหมครับก็เป็นการทรมานสัตว์เนี่ยก็มันก็อยู่ในขั้นเกือบจะปานาตนิยังไม่ถึงกับฆ่าแต่ก็ถ้าเราไปเป็นสัตว์ให้เขาทาอย่างนี้บ้างจะรู้สึกดีไหมล่ะไม่นม่าเป็นสัตว์ก็ได้เขาจับเราให้ไปต่อยมวยในในเวทีเนี่ยเพื่อจะให้เราได้มีอิสรภาพสำหรับเราติดคุกอยู่เนี่ยอยากจะหลุดไหมขึ้นมาโชกสิท้ายก สิบยกห้ายกถ้าคุณชนะคุณก็ออกไปได้ี้มันก็ทรมานไหมทําไมไม่ปล่อยให้เขาไปอย่างไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไปโชคไม่ได้เลยปล่อยให้เขาอยู่อย่างอิสระไม่ได้ผมจะแผ่เมตตาว่าขอให้คุณแม่มีเงินเยอะๆเด็กมาเยอะๆครับแผ่แล้วเงินยังไม่มาเยอะเลยเด็กก็ยังไม่มาเยอะเลยครับไม่มาสักทีขอครับแนะนําด้วยครับ อันนี้ไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตาเป็นการการแสดงความปรารถนาปรารถนาดี อ, อขอให้แม่ร่ำรวขอให้แม่มีอะไรต่างๆที่แม่อยากได้เราก็ภาคก็บอกเหมือนกันขอให้ญาติโยมเจริญด้วยอายุวันนัสุขะพะละทำไมญาติยโยมต้องแก่กลายเป็นแก่เจ็บตายกันไปทุกคนะความจริงและการปรารถนาดีมันก็ลปเรื่องกัน นักมัธยารพระอาจารย์ครับละความคิดถึงอนาคตได้แบบไม่คิดถึงทํำยังไงครับก็ใช้พุทโธเข้าสมาธิไปใช้สติคอยหยุดความคิดเวลาคิดไปในทาง ท, ที่เราไม่ต้องการให้คิดเราก็ใช้สติหยุดมันได้ถ้าเราฝึกสติมาจนชํานาญแต่ถ้าเรายังฝึกสติไม่ได้หยุดความคิดไม่ได้เวลามันจะคิดอะไรเราก็อย่าหยุดมันไม่ได้เห็นตอวันฝึกสติให้มากๆแล้วเราจะสามารถหยุดความคิดได้ คุณหนุ่มน้อยครับถามว่าทําไมประเทศไทยขี้เกียจทําไมต่างประเทศไม่ขี้เกียจคนขยันเพราะว่าแตกต่างกันอย่างไรครับไม่เข้าใจครับอันนี้ไม่อยากจะพูดเป็นเรื่องของสังคมไม่ใช่เรื่องของศาสน า, ศาเพราะว่าทุกแขนทุกผลก็มีทั้งคนขยนันทั้งคนขี้เกียจนะแต่ประเทศที่อาจจะเห็นว่าขี้เกียจคือคนขนควายน้อยกว่ า, า จ, จะเป็นประเทศที่เขาไม่ไม่ไม่ต้องดิ้นรนมาก เป็นประเทศที่อยู่ทางทางประเทศที่ประเทศร้อนประเทศที่อยู่กับธรรมชาติได้ไม่ธรรมชาติไม่นุนแรงไม่หนาวจัดไม่ร้อนจัดนอยู่อย่างสบายสบายก็เลยไม่ต้องเน้นตอนเยอะมากอยู่ยได้แต่ถ้าเราอยู่ประเทศที่เขาเจอกับอากาศที่รุมแรงหนาวจัดร้อนจัดเนี่ยเขาก็ต้องทําวิธีหาวิธีที่จะต่อสู้กับอากาศต่างๆความ ความร้นแรงของอากาศความทุกข์ต่างๆก็เลยทำให้เขาต้องขยันขึ้นมาเขาถูกบังคับให้ขยันเพราะาเพราะสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่มันบังคับอยู่อย่างเฉยๆไม่ได้ต้องนิ่มนอนต่อสู้ในของทางประเทศไทยานี่อยู่ในสูตรที่มันไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปสบายๆนั้นอาหารการกินก็มีเหรือเฟือมีน้ำในปา่ามีมีปลาในน้ำ มีข้าวในานะ ม, มันก็อะไรไม่ต้องเล่น น, นันก็อยู่อย่างสบายๆจะว่าคนขี้เกียจก็ไม่ก็ได้แต่ความจริงมันไม่ใช่ขี้เกียจเราก็มันสบายเลยไปเล่นนนให้มันเหนื่อยยากทําไมการขายของมึนเมาเป็นบาปไหมครับเป็นหน้าที่ที่ไม่ควรทําเพราะเป็นการส่งเสริมให้คนมึนเมาแล้วไปทําร้ายผู้อื่นต่อไปได้ไปทำความเสียหายให้กับผู้อื่นได้เช่นเมาแล้วขับไป ถ้าไม่มีร้าขายไม่ถ้าไม่มีบริษัทผลิตเล้าไม่มีการขายเล้าในประเทศไทยคนจะไปเอาเล้าที่ไหนกินกันเนี่ยถ้ไม่มีเหล้ากินขับรนมันก็ไม่เมาอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับมันก็จะไม่มีแล้วเขาถามต่อว่าผู้จ่ายหยาบคายบาปไหมครับก็ถือว่าเป็นเป็นราจาที่ไม่ไม่สมควรที่จะพูดแต่ถ้าจะถามว่าบาปหรือไม่ถ้าถ้าถือสี่ห้าก็ยังไม่ถือว่าบาป นุตินสินแปดก็ไม่ได้ห้ามวาจาอะไรนี้อันนี้สนับผู้ที่เป็นผู้ที่ต้องการที่จะให้เป็นคนที่เคารพนับถือของผู้เช่นนัก บ, บวชพระเณนชียเี้ก็จะพูดวาจาที่สุภาพเรียบร้อยเพราะถ้าพูดวาจาอย่าบนี้ก็เป็นการลดฐานะของต น, นเองมาเป็นเหมือนกับคนคนต่ํำทรามเพราะว่าคํายาบนี้มักจะเป็นคําที่คนต่ํำทรามเขาพูดกัน คนที่เขมีสูงมีมีมีวินัยมีระเบียบนี่เขาจะไม่พูดคำหยาบคุณเอเวอร์เรสครับขอโอกาสครับในหนังสือพระอาจารย์เขียนว่าทำทานเพื่อส่งเข้าสู่การรักษาศีลขอช่วยขยายความด้วยเพราะในความรู้สึกว่าถ้าทำทานหมดตัวแล้วเหมือนที่ท่านพระอาจารย์ไปบวชที่วัดป่าบ้านปาดก็ไม่ต้องทานอะไรเลยก็ไปขั้นภาวนาเลย จึงไม่เห็นว่าการจะใหทานเป็นบันไดส่งไปให้ศีลอย่างไรครับคือการให้ทานนี้มันเป็นการเวลาเหตุที่ทําให้เราให้ทานได้ก็คือเรามีความเมตตาต่อผู้อื่นเราต้องมีความสงสารมีความคิดอยากจะให้ผู้อื่นเขาสุขสบายอยากจะให้เขาพ้นจากการเดือดร้อนเราก็เลยทําบุญทําทานเวลาที่เราเห็นขอทานทำ้มเราให้เงินเขาเพราะว่าเราสงสารก็ เห็น็ขาอดอยากขาดแคลนก็เรามีความเมตตากรุณาขึ้นมาจิตเราก็จะเป็นจิตที่ชอบช่วยเหลือคนแล้วก็จะไม่ชอบเบียดเบีย น, นผู้อื่าให้ไปทําร้ายผู้อื่นไปทําละไปฆ่าเขาไปไปทําทารุณกรรมกับเขาหรือไปสร้างความทุกข์เสียหายไปร้นกับผู้ก็จะไม่อยากจะทําคนที่ทําบุญจะไม่ชอบทําบาปนะมันก็จะทำให้รักษาสินได้ง่ายแต่คนที่ไม่ชอบทําบุญเนี่ยเป็นคนที่ จะรักษาศีลได้ยากเพราะจะคิดแต่อเอาผลประโยชน์ใส่ตัวเองไม่อยากจะเสียผลประโยชน์ไม่อยากจะช่วยเหลือใครไม่มีความสงสารไม่มีความเมตตาแล้ว เ, เวลาอยากจะได้อะไรขึ้นมาถ้าต้องไปทําลายทําร้ายผู้อื่นก็จะก็จะทําเพราะความอยากอยากได้สิ่งที่ตัเองต้องกอารคนที่ไม่ทำทานก็สนแสดงว่าเป็นคนที่ขาดความเมตตากรุณา ถ้าเรามีความตั้งใจและปฏิบัติเป็นประจำในการสวดมนต์แต่ไม่รู้ความหมายบางบทก็ไม่เข้าใจอย่างนี้เราได้บุญไหมครับคือการสวดมนต์นี่เป้าหมายหลักก็คือให้เราฝึกสติเพื่อให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆในช่วงที่เราสวดมนต์มันก็จะทำให้ใจเราว่างจากความคิดตรงตัที่แล้วมันก็จะทำให้เรามีกำลังที่จะหยุดความคิดตรงตัได้มากขึ้น น, นี่คือประโยชน์จากการสวดมนต์ไม่ว่าจะสวดบทไหนก็ตามเนื่งที่ไม่ได้เข้าใจความหมายของบทสวดมนต์ว่เาเราเป็นใช้การสวดมนต์นี้เป็นอปนุบายของการเจริญสติหยุดความคิดปุุงแต่งต่างๆแต่ถ้าเราสวดมนต์ในบทที่เราเข้าใจเราก็จะได้ปัญญาได้ความรู้เพราะบทสวดมนต์ส่วนใหญ่นี้ก็เป็นเพเป็นคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองที่เราสวดมนต์คนเราสวด อาศิวนาจะ บ, บาลานาะมัิตานันจาเสวนาถ้าเราไปอ่านคงแปลก็ไป็นคำสอนวาอยคบคนพาดอย่า ค, บ, ค, าาคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้ถ้าเราเข้าใจความหมายแเรวก็จะได้ปัญญาได้ความรู้คุณปุ๊กลุกครับดิฉันนั่งสมาธิจิตใจสงบแต่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องขันห้าเรื่องอื่นๆ แต่จากค่อยๆศึกษาไปเราจะพอได้บุญจากการทำสมาธิไหมครับถ้าได้ผลถ้าใจสงบมีความสุขก็น่าจะถือบุญนะบุญก็คือความสุขใจถ้าเราได้รับความสุขใจก็ถือว่าเราได้บุญถ้ายังนั่งสมาธิแล้วใจยังไม่สุขก็ยังยังไม่ได้บุญเหมือนหุงข้าวยังไม่สุขการนั่งสมาธิก็เหมือนการไปหุงข้าว ถ้าหุงข้าวเสร็จแล้วได้กินข้าวจนอิ่มท้องนี่ยอันนั้นนะไม่ว่าได้บุญเพราะได้ความสุขจากการกินข้าวสมาธิกัเหมือนกันถ้านั่งสมาธิไปแต่จิตยังไม่สมงบใจก็ยังไม่สุขถ้ายังไม่สุ ข, สขก็ยังไม่ได้บุญก็ต้องทําต่อไปต้องต้องทำไปจนกว่าจิตจะสงบแล้วก่อความสุขใจขึ้นมาถึงจะได้บุญส่วนการเรื่องของทานข้าว น, นี่เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษามันไม่ได้เกิดจากการนั่งสมาธิ การนั่งสมาธินี้เพ่จะทําให้ใจนิ่งสงบไม่คิดอะไรไม่ได้ความรู้จากการนั่งสมาธิถ้าอยากได้ความรู้เราต้องไปศึกษาว่าขันห้ามีอะไรบ้างแล้วถ้าอ่านเราก็จะรู้ว่าขันห้ามมีรูปปัจขันคือร่างกายเวทนาขันคือความรู้สึกสัญญาขันคือความจําได้หมายรู้สังขารขันคือความคิดตรงแต้มวิญญาณขันคือ การไปรับรูปเสียงเกียรติวัดผภัณจากร่างกายมาสู่ใจอันนี้คือขันห้าแล้วต้องศึกษาแล้วเราถึงจะรู้จักเข้าใจต้องไปอ่านหนังสือธรรมะหรือไปฟังเทศน์ลองทำที่ครูบาอาจารย์ท่านคอยสอนแล้วพวกมีหนังสือเล่มใหม่ออกมามีหมอท่านหนึ่งมารวบรวมคําสอนไว้เรื่องถ้ารู้บขันห้าไม่ทราบเห็นก็เห็นไรือยังไม่ทราบ ได้เห็นเมื่อวานเนาะหมอหมอแม่เมีวส่งจะส่งให้สมอ่นานนะอาจารย์ครับหมอกคนนี้ท่านรวบรวมเรื่องแรกับเรื่องท่ารู้เป็นหมอหัวใจเป็นหมอผ่าตัดหัวใจเด็กแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเกษียณแล้วบ้างเรี่องอะไสนใจทำมากมากขึ้นนะครับเข้าใจทั้งโล ก, กทั้งธรรมแล้วครับอาจารย์เพราะพูดอย่างี้มันเปนเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ แล้วพอเธอส่งเรื่องหนังสือเล่มนี้ไปให้พวกแพทย์เพื่อนด้วยกันนี้ยทุกคนชอบขอพิมพ์เพิ่มเพิ่มเพิ่มึ้นพิมพ์แาจากเพิ่มกันเพราะมันเป็นเรื่องทางทางวิทยาศาสตร์ใหญ่โตครับเมื่อสักครู่พี่จุ๊กก็ส่งเป็น PDF มาให้ผมอ่านนะครับอาจารย์อส่งมาแล้วเหรอส่งเป็น PDF มาให้ละครับอาจารย์ครับอืม ตั้งใจรักษาศีลห้าแต่เวลาเจอสัตว์มีพิษในบ้านถ้าเราไม่ฆ่าเราอาจจะเกิดอันตรายได้จะขอคําแนะนําพรอาจารย์ครับก็ไม่ต้องฆ่าก็ได้เนี่ยเพียงแตจับไปปล่อยที่อื่นที่ปลอดภัยคุณซีฟครับถ้าเราทํางานและฟังเสียงสวดมนต์ไปด้วยหัวหน้ารู้ว่าเราฟังเสียงสวดมนต์กลับดุด่าว่าเราไม่ให้เราฟังเพราะจะเสียงานไม่ตั้งใจทํางานอย่างนี้หัวหน้างานบาปไมหมที่มาห้ามเราฟัง ทา ง, งที่เราก็ทํางานไม่ได้ผิดเลยครับไม่บาปหรอกเพราะก็คิดว่าการทํางานของคุณไม่ไ ม, ไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพเข้าใจต้องแหล่งไปสอจุดแบ่งไปทํำงานอย่างครื่องนึงอีกเครื่งนหนึ่งก็ไปส่วนมนซึ่งเขาไม่ได้จ้างเรามาส่วนมนเนเขาไม่ผิดเราก็ทําหน้าที่ยูแลผลประโยชน์ของบริษัทเรามผิดที่เราไม่ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ ถ้าไม่อยากจะให้เขาด่าเราก็สวดไปภายในใจอย่าให้เขารู้ว่าเราสวดครับฝึกนั่งสมาธิต้องถึงสี่ห้าด้วยไหมครับคือเวลานั่งสมาธิมันก็ไม่ได้ทําบาปใช่ไหมเวลานั่งสมาธิมออไปฆ่าสัตวหรือเปล่าตอนนี้นั่งสมาธิไปนับทรัพย์หรือเปล่าไปประพฤติผิดประเพณีหรือเปล่าพูดปลดหรือเปล่าดือดร้านหรือเปล่า เพราะฉะนั้นท่านนั่งสมาธิได้ก็แสดงว่ามีศีลหครบอยู่ถึงยัถึงยังนั่งได้ถ้าถ้า friendly, ไปนั่งกินเหล้าก็ไปนั่งสมาธิไม่ได้ครับทมครับถ้าไปฆ่าฟันกันก็นกนไปนั่งสมาธิไม่ได้ถ้าไปนักทรัพย์ของพูดก็ไปนั่งสมาธิไม่ได้ถ้าไปประพฤติผิดประเพณีก็นั่งสมาธิไม่ได้เะฉนั้นท่านนั่งสมาธิได้ก็ถือว่ามีศีลหถ้าไม่ได้นั่งไม่ก็แสดงว่า อาจจะเพียงพรไม่สินสินแห่ไม่ครบบริบูรณ์ก็ได้อาจจะไปทําผิดสินหรือไปทําอะไรอย่างใด อ, อย่างหนึง่งคุณหน่อยครับภาวนาพุโทโธตลอดเวลาในชีวิตประจําวันตอนนี้เวลานอนหลับพอขยับตัวรู้ตัวเหมือนพุโทโธขึ้นเป็นอัตโนมัติขอคําแนะนําว่าการปฏิบัติเช่นนี้ถูกทางหรือไม่ครับก็มันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะ ใช้ให้มันเกิดประโยชน์คือทําให้จิตเราสงบได้ไหรือไม่ซึ่งบางครั้งบางเวลาถ้ามันทําแล้วมันทําให้จิตเราไม่สงบและไม่ถุกขเช่นเวลาเราจะนอนนี่แล้วเราก็พุโทโธขึ้นมาในขณะที่เรานอนมันก็อาจจะทำให้เรานอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็กเท่าที่พูดมาสรุปว่าใช้ได้ก็แล้วกันถ้ามีพุโทโธอยู่เรื่อยๆฝึไปเรื่อยๆน่าจะเป็นอัตโนมัติมา เราพยายามทําในช่วงระยะเวลาที่เราเราตื่นช่วงเวลาที่เราหลับนี่ไม่ต้องพูดโทรถ้าหลับหลับนะมันก็จะได้หลับสบายหลับได้สนิทถ้าเราหลับแล้วไปพูดโทรไปด้วยมันก็อาจจะนอนหลับไม่สนิทก็ได้เวลาที่เผลอชอบที่จะคิดไม่ดีครับต้องทํายังไงไม่ให้คิดแบบนี้ครับก็ต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆพอรู้ว่าพูดไม่ดีก็หยุดมันได้ถ้ามีสติ เช่นเราเรียนว่าพุทธมเดชกพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปคุณปุ๊กลุกครับถ้าเราเผลอไปหยิบของของเพื่อนมาเมื่อรู้ตัวรีบเอาไปคืนเราผิดศีลไหมครับถ้าไม่มีเจตนาก็ยังไม่ผิดศีลนะต้อไม่เจตนาก่อนเป็นเจตนาแล้วเอาของเขาไปนะก็อ่านจะมากลับใจแต่ศีลบาปนั้นก็ทําไปแล้วเกิดขึ้นแล้ว แล้วเาขาเมื่อคืนก็ จ, จะลบล้างอไม่รู้จะลบล้างบาป ท, ที่ทําไปได้หรือเปล่าไมนรู้แต่ก็อย่ามนั้นเขทดแทนความความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทําบาปได้แล้วก็ทรัพย์สินของผู้เสียที่เขาเสียหายคืนให้เจ้าของเข้าไปแต่ไม่แน่ใจว่าบาป ท, ที่เราทําไปแล้วนี้เราไปลบล้างมันได้หรือเปล่าเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันทําไปแล้ว ถือศีลแปดจำเป็นต้องไปอยู่วัดด้วยไหมครับคือถ้าเราต้องการสถานที่ที่ปฏิบัติที่สปายะที่เหมาะที่เอื้อต่อการปฏิบัติไปอยู่วัดมันจะดีกว่าอยู่ที่บ้านนะเพราะที่วัดที่วัดนี่เป็นที่ที่สงบสนงบแล้วคนที่อยู่ก็ถือศีลแปดเหมือนกันแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีเราเราถือศีลแปดแต่คนที่บ้านเขาไม่ถือศีลกันเพราะอยากจะดูหนังทาเพลงก็ดูกันอยาจะร้องนำทาเพลงก็ทํากัน จะจัดเฮฮาปา์ตี้เขาทำเงินพอว่าทํางานไมก่กลาจะมาประทมกับจิตใจของเราได้คุณปาริชาติครับหนูยังคงนักปฏิบัติเสมอแต่วันก่อนก่อนที่จะนั่งปฏิบตัติไปดู YouTube เรื่องสุขภาพพอนั่งปฏิบัติเกิดความกลัวป่วยขึ้นมาแล้วมันกลัวมากจับใจเลยทั้งนั้นที่แข็งแรงดีแต่พอออกจากสมาธิสักพักก็หายกลัวจึงรบกวนขอคาแนะนาว่าหากมีอาการนี้ขึ้นอีกจะทาอย่างไรดีครับ ก็ต้องทำใจให้สงบนะแสติว no ่าถ้าอยู่ในสมาธิมันไม่ใช่สมาธิหรอกถ้าสมาธิจริงๆแล้วมันจะว่างมันจะไม่มีความคิดปรุงแต่งอะไรแสดงว่าตอนนั้นไม่มีสติวาให้ใจคิดปรุงแต่งขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาพระเจ้ามามาสู้กับมันสิบอกว่าพระเจ้าสอนว่าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่ต้องพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไม่ได้เรน่เอาความจริงมาสู้กับมันใช้ปัญญา ดูเสียว่าใจมันจะยอมรับถึงไม่ถ้ายังไม่ยอมรับก็หยุดความคิดอันนี้ก่อนควาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ใช้สติพุโทโธพุโทโธหยุดความคิดนี้ไว้ก่อนทําจิตให้นิ่งให้สงบก่อนหลังจากจิตนิ่งสงบแล้วพอจากสมาธิมาก็ลองค่อยสอนใจหมอยว่าความความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหรือเปลี่ยเรี่ยงได้ดูเสีว่าใจจะค่อยๆยอมรับหรือไม ทำไปเรื่อยๆต่อไปเราก็ต้องยอมรับการปลดน้ําบทอีทางเมใช้เพื่ออุทิศกุศลให้คนเป็นหรือคนตายครับขอการปลดน้ํานี่ต้องอุทิศให้คนตายนะคนเป็นก็ไม่อุทิศกันให้แล้วคนคนคนเป็นนี่เราสามารถให้ความสุขเขาด้วยวิธีอื่นคือซื้อของให้เขาได้โดยตรงเไม่ต้องไปได้เป็ น, ปนบุญแล้วส่ไปตองหมาให้เขา คุณวิไลครับถ้าแม่ไม่สบายหนักเรามีหน้าที่ดูแลแต่ไม่ได้ออกเงินเราได้บุญหรือไม่ครับเราก็ได้บุญที่เกิดจากการรับใช้แม่คนที่ใช้เงินก็เป็นคนได้ได้บุญจากการทําทานเสียสลากเงินทองเปนบุญคนละอย่างมันแต่ก็ทําให้ใจมีความสุขได้เหมือนกันเรารับใช้แม่ดูแลแม่เราก็ได้ความสุข คนที่เขาไม่มีเวลามาดูลาแลแม่แต่เขาทำงานเขาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเขาก็มีความสุขเวลานั่งสมาธิมีอาการปวดขาเหน็บชามากเหมือนเลือดไม่ไปเลี้ยงที่ขาควรจะออกจากสมาธิก่อนไหมครับเพถ้ า, าอยากจะนั่งให้มันสงบเราก็ต้องนั่งต่อไปถ้ า, ายังนั่งแล้วยังไม่สงบถ้าเราถ้าเราออกไปทุกครั้งเวลาเรานั่งมันจะก็จะไปไม่ถึงไหนพอนั่งมาถึงขั้นที่จิต พอร่างกายเลิกเจ็บจิตก็ก็ถอยออกมาเราต้องนั่งต่อไปโดยไม่ต้องให้ความสําคัญไม่ต้องไปสนใจกับาการเจ็บอมันจะใช้บทส่วนที่เราสวดว่าน่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอทดสอบจิตใจเราไปในตัวว่าเราจะยอมรับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้หรือไม่อาการเจ็บต่างๆของร่างกายนี่ก็เป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วนะถ้าเราอยาก ถ้าเายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางกื อ, อัปปนาสมาธิเราควรจะนั่งต่อไปไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคบางทีก็อาจจะเกาิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาบางคนนั่งแล้วน้ําลายไหลวันนี้มีนคนถามนั่งสมาธิแล้วน้ําลายหลายทำไมก็ปล่อยมันไหนไปไม่ต้องไปสนใจแล้วให้สนใจอยู่การภาวนาของเราเพียงอย่างเดียวแล้วถ้ามีเรียนการเงินคันนั้นคันนี้ก็ไม่ทําไปเกี่ อย่าไปแตะร่างกายเลยอย่าไปสนใจเรื่องร่างกายเลยถ้าเราอยากจะได้ผลผลจากการนั่งสมาธิเราต้องอยู่กับการภาวนาของเราไปเรื่อยๆเพื่อย่างเดียวความเชื่อที่ว่าถวายดอกไม้แล้วชาติหน้าจะเกิดมาสวยหล่อนี่จริงไหมครับก็เป็นความเชื่อความจริงแล้วคนที่กลับมามีรูปร่างหน้าตาดีก็เป็นเพราะอานิสงค์ของบุญ คือการทำบุญทําทา น, นนั่นนะี้ไม่ว่าจะทําบุญทําทานถ้าให้ลงศพก็ได้ให้ลงศพก็ได้ไม่ใช่ว่าให้ลงศพแล้วชาติหน้ากลับมาจะมีแต่ลงศพมารอเราอยู่มันไม่ได้แบบครับว่าอย่างนะั้นเพราะทุกอย่างนั้นมันแปลงเป็นบุญไปหมดเนี่ยดอกไม้ก็แปลงเป็นบุญลงศพก็แปลงเป็นบุญถ้าบุญนี่แหละที่จะมาทําให้ร่างกายของเราเวลามาเกิดนี่มีมุ้งนั่งหน้าต า, ท, าที่สวย ป่วยไม่หายอย่างนี้เป็นกรรมไหมครับมันก็มีหลายสาเหตุเนี่ยเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของทางรางการนี้มันเนี่ยอยู่ภายใต้กฎอนิจจ์ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะทําให้ป่วยแล้วไม่หายก็ได้ไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของกรรมอย่างเดียวแต่เรื่องของกรรมก็อาจจะมีส่วนเป็นเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยส่วนเดียว คุณแคทครับบอกว่าถ้าทำอาชีพเป็นหมอดูไพ่ถือว่าเป็นอาชีพที่ผิดศีลไหมครับก็คนรู้จริงหรือเปล่าที่คุณไปบอ ก, กเรื่องงานของน้องเป็นจริงหรือเปล่าถ้าคุณรู้ไม่จริงแล้วไปพูดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ท้าคุณโกหกนมันก็ผิดศีลฟังบทสวดมนต์ในในยูทิวตลอดตอนทํางานดีไหมครับ คือการทํางานคนจะให้มีสติอยู่การทํางานจะดีกว่างานจะได้ไม่เสียถ้าทํางานไปแล้วสวดมนต์ไปด้วยทาการสวดมนต์ไปด้วยเดี๋ยวจิตจะไม่ได้อยู่กับการทํางานอย่างต่อเนื่องก็อาจจะเกิดการผิดพลาดเกิดการเสียหายในเรื่องการทํางานได้เห็นคนถ้าจะทํางานให้ฝึกสติด้วยการมีสติอยู่การทํางานจะดีกว่าคุณนัทวดีครับ เขาว่าคนตายจะมางานศพตนเองจริงหรือเปล่าครับพราเขาว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าเราไม่ถามเขาดูสิมีความรู้สึกติดสวดมนต์ทุกตอนเย็นแบบนี้ถือว่ายึดติดไหมครับอ๋อไม่หรอกมันเป็นนิสัยขึ้นมาเราเคยทำอะไรแล้วพอถึงเวลามันก็เป็นนิสัยแต่ว่าติดก็ไม่เป็นไรติดในสิ่งที่ดีไม่เป็นโทษ คนที่ต้องเวลาหมอสั่งให้กินยาเนี่ยก็กินไปถึเวลากินตามที่หมอสัง่งแล้วกระทั่งมันติดเป็นนิสัยไปมันก็ไม่เสียหายยังไหนคนที่ต้องกินยาประจำอย่างยาไขมันยาความดานหรือยาอะไรต่างๆนี้ต้องกินเป็นประจำเนี่ยถ้าติดเป็นนิสยัยท่านนี่ก็ดีมันจะได้ไม่หลงไม่ลืมมันก็เป็นคุ้มเป็นประโยชน์ไม่เสียหาย คุณหาฟาครับถ้าเราเดินตรงกลมแล้วใช้สัญญานึกเป็นภาพผมขนเล็บฟันหนังวนไปจนครบยี่สิบท่าดินแล้วต้องไปยังไงต่อครับนึกภาพถึงความปฏิกูลทั้งนั้นที่เห็นแล้วมันก็วนอยู่แค่นี้ครับให้มันจําได้ทั้งต่อไปเวลาเห็นร่างกายของไก่ทั้งของเราและทั้ ง, งของผู้อื่นให้เห็นอาการเหล่านี้ทันทีเหมือนตาเอ็กซ์เรย์ให้เรามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังทุกครั้งที่เรามองเห็นร่างกายของ ข, ของคน ือของศาสตร์ก็เหมือนกันตอนที่คุณแม่เสียท่านอุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ก็เลยทำพิธีสวดศพแค่วันเดียวแบบนี้ผิดไหมครับไม่ผิดหรอกเพนเรื่งเปนบบน็นอย่งนทมทําประเพณีของการจัดการศพทท้งนั้นเองยัาไม่มีการสวดอะไรก็ได้เพแต่ว่าประเพณีเองนิยมอย่างนันก็ทำบุญทำกุศลให้กับผู้ตาย ทำคืนเดียวก็ได้ ท, ทําทีน้อยๆเลยทําเผื่อสามคืนเลยก็ได้เอ็นถ้าเรามีค่าใช้จ่ายทำบุญคืนละหมื่นหึแล้วก็ทำดีสามหมื่นไปเลย ม, มันไม่ได้อยู่ที่กี่รอบกี่ครั้งมันอยู่ที่ปริมาณของการทำราํำบุญของเราทํามากทําน้อยมากกว่าคุณวิไลครับบอกว่าเคยเป็นซึมเศร้าและหายจากคาสั่งสอนของพระอาจารย์สุชาตินะครับ กราบและจะขอปฏิบัติคำสั่งสอนตลอดไปทุกวันนี้ได้สดมนวันละประมาณสามชั่วโมงปฏิบัติถือศีลแปดที่บ้านเพราะอยู่คนเดียวสะดวกในการทำทำถูกต้องแล้วใช่หรือไม่ครับถ้าจิตแล้วสงมบมมไม่พุ่งสร้างไม่ชื่นเศร้า ก, ก็ถือว่าถูกมล้วมีคนขอถ้อยคำให้กำลังใจพระอาจารย์เพราะว่าใจจะสลายครับรอาจารย์ครับขอถ่อยให้ให้กาลังใจใครครับุ ให้คือเขากําลังรู้สึกใจสลายขอพระอาจารย์เมตตาให้กําลังใจครับเรื่องต้อนหยุดหยุดอารมณ์นี้ด้วยก่อนด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วสวดมนต์ไปเรื่อยๆเหมือนกับคนที่เมื่อกี้นี้บอกที่เขาหาจากอาการซึมเศร้าเนี่ยเราอาศัยการสวดมนต์วันละสามชั่วโมงทําได้ไหมเราไปสวดมนต์โดยวันละสามชั่วโมงดูรับประกันได้ว่าอาการที่รู้สึกจะร่มสลายนี่ก็จะหายไปเพราะมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเรา อรารมณความคิดปุุงแต่งได้อารมณ์เหล่านี้ก็จะหายไปจากใจคุณมาริษาบอกวาเห็นโพสต์หนึ่งถ่ายภาพคลิปผับแห่งหนึ่งมีพระพุทธรูปผมผ้าสีเหลืองสองขนาดประมาณสองถึงสามเมตรหลายองค์ประดับผับเจ้าค่ะอาจารย์อยากขอคำแนะนำเจ้าของผับให้ใช้ปวงหรีบเป็นป้ายร้านและผับกระดาษทิชชู่เป็นรูปดอกไม้จานเพื่อเห็นสัจธรรมของชีวิตด้วย อยากขอความเมตตาจากอาจารย์ที่เขาทําสมควรไหมครับอย่าไปยุ่งเขาเลยเป็นเรื่องของเขาเดอย่าก็การเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาครับเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทำไปถ้าผิดกฎหมายก็จะมีเจ้าหน้าที่ตํำรวจมาจัดการอย่างเขาเองถ้าไม้ผิดกฎหมายก็ทําอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งกับชาวบ้านหนึ่งช่วยร้งเรียนกับตัวเราดีกว่ามากำจัดกิเลตที่มีในตัวเราจะดีกว่า ที่อยากจะไปยุ่งกับคนอื่นนี่ก็เป็นทีเรียนอย่างหนึ่งเว่าทําบุญแล้วเสร็จแล้วจําเป็นต้องไปกรวดน้ําด้วยไหมครับ ถ, ถ้าเราต้องการอุทิศบุญเนี่เราสามารถอุทิศบุญได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ําเพียงแต่เราเลิกภายในใจก็ได้จะใช้น้ําก็ได้ไม่ใช้น้ําก็ได้แต่ถ้าต้องการอุทิศบุญเราต้องเราเลิกภายในใจถ้าไม่เลิกภายในใจบุญก็จะไปไม่ถึงผู้ที่เขารอรับบุญ คุณแพทครับทำไมถึงกลัวความตายเมื่อคิดถึงว่าจะต้องเกิดกับตัวเองและคนที่รักรู้สึกเหมือนแพนิคทุกครั้งทำอย่างไรดีครับทำอย่างไรถึงจะยอมรับได้สักทีครับเพราะความอยากไม่ตายอยางอยู่เพราะอยากจะมีร่างกายไว้เป็นเครื่องหาความสุขต่อไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะรู้ว่าถ้าตายเราไม่รู้จะไปหาความสุขจากอะไรได้แล้วคิดว่าตายแล้วตัวเองจะสูญหายไปด้วยคนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองเป็นร่างกาย พอร่างกายตายไปตัวก็จะสูญหายไปจบลงเรียกว่าตายแล้วสูญอันนี้มันเคยเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของเป็นวิจาทิสติเนความเห็นผิดอย่างหนึ่งตายแล้วสูญเพราะตามความเป็นจริงแล้วตายแล้วไม่สูญ ร, ร่างกายหายไปแต่ผู้ที่ใช้ร่างกายทํำหาความสุขยังอยู่ต่อคือก็คือใจใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย คนที่รู้เรื่องราวเนี้จะมักจะไม่ค่อยกลัวตายเพราะรู้ว่าผู้ที่ตายไม่ใช่ไม่ใช่ตนเองตอนเป็นใจตนเป็นผู้รู้ผู้คิดเพียงแต่ว่าตอ น, นยังต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเท่านั้นเองครั้งที่แล้วที่ถามว่าพ่อกำลังจะเสียทำอย่างไรได้ฟังพระอาจารย์ไปครับท่านเสียแล้วครับใจยังเข้มแข็งอยู่นะครับ อ, อ่าต้องเป็นปกติ มันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของพ่อเรื่องอของร่างกายของพ่อเป็นเรื่องธรรมดาเรามาดูว่าต่อไปร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เราจะเป็นยังไงจะแข็งแข็งได้ไหมจะรับกับมันได้หรือเปล่าเรายังมีข้อสอบเราเราอยู่เองคือร่างกายของเราเองเราจะตายอย่างสงบได้หรือเปล่าหรือจะตายอย่างทุกข์ทรมานคุณบิวครับตอนที่ผมเข้ามาดูสนทนาธรรมผ่านซูมในวันอังคารวันพุธ เวลาที่ผมดูบางครั้งผมเห็นผู้หญิงที่เข้ามาสนทนาธรรมหน้าตาดีๆหน่อยทั้งคนไทยต่างชาติผมจะรู้สึกว่ามีความชอบความพอใจในความสวยงามของผู้หญิงที่เข้ามาสนทนาธรรมแต่ผมก็พยายามกลับมาโฟกัสกับเสียงสนทนามากก ว, ากว่าการดูภาพและฟังไปเรื่อยๆก่อนจะหลับไปอยากเรียนถามว่าการที่ผมกลับมาโฟกัสที่เสียงการสนทนามากก ว, ากว่าการดูภาพเพียงพอหรือเปล่าครับหรือต้องพิจารณาอสุพะหรืออาการสาส2 2ควบคู่ไปด้วยครับ ถ้าดูอาการ 3.2 อ, อสุภาพได้มันก็จะทำให้เราไม่มีความยินดีกับการดูภาพของเพศตรงข้ามแต่ถ้าเราเพียงแต่ปิดตาไม่ไปดูมันก็เป็นเพียงแต่ก็เรียกว่าหลบทั้งนั้นเองแต่ทุกครั้งเราไปเห็นภาพของสภาพสติที่น่าดูหน่าชอามอารมณ์มันอารมณ์ชอบก็เริ่มจะกลายขึ้นมาได้ดังนั้นต้องแก้ด้วยการเวลาเห็นหน้า หากเห็นร่างกายของคนที่มีความสวยงามก็ให้นึกถึงภายใต้ผิวหนังของเขาขึ้นมานึกถึงโครงกระดูกนึกถึงปอดถึงตับถึงไตให้มองกับโลกเข้าไปแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีอารมณ์ที่ชอบหรือยินดีครับรูปร่างของใครเคยได้ยินมาว่าทุกอย่างถูกกําหนดมาแล้วจากกฎแห่งกรรมแล้วการที่เราทําอะไรในปัจจุบันก็ถูกลิขิตไว้หรือเปล่าครับ ไม่เราโดยสิ่งที่กระถูกกาหนดมาก็คือจดิณที่สัยของพวกเราเนี่ยมันมันมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นผลของกรรมที่เราทาําเราเคยชอบอะไรมันก็จะทําให้เรามาชอบเราเคยชอบสีแดงเกิดมาชาตินี้เราก็จะมาชอบสีแดงเราชอบกินของเผ็ดเกิดมาชาตินี้เราก็จะชอบกินของเผ็ดอัน น, น, น, ออนี้มันเป็นสิทธิกําหนดมาความชอบความชังความรักความอะไรนี้มันเป็นนิศสัย คนที่มีความสามารถในทางใดทางหนึ่งก็จะมาทําทําในสิ่งนั้นต่อคนที่มีความสามารถทำดนตรีก็จะมาเล่นดนตรีต่อคนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาก็จะมาเล่นกีฬาต่อคนที่มีความสามารถเป็นแพทย์ก็จะกลับมาเป็นแพทย์ต่ออันนี้ถูกกาหนดมาเป็นส่วนใหญ่เพราะมันเป็นทิศสัยที่ติดมาทําอยู่ในจิตของผู้ของในจิตแต่ละดวงที่มาเกิดอันนี้ที่มีสิ่งนี่กําหนดมา แต่สิ่งที่เรามากระทํานี่เราสามารถเปลี่ยนได้ที่เราเห็นว่าการมาเป็นนักกีฬามันถึงแม้จะมีชื่อเสียงโด่งดงังแต่มันไม่ทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็อาจจะมาเปลี่ยนมาเป็นนักบวชก็ได้นี้เปลี่ยนได้อนาคตเปลี่ยนได้จากการกระทําในปัจจุบันของเราคุณดอกบัวครับถ้าเราทําทานรักษาศีลอาจจะด่างพร้อยไปบ้างนั่งสมาธิจริงจังไม่ได้ พยายามรู้สึกตัวและฟังเทศเป็นหลักมีโอกาสจะเข้าใจธรรมและปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องจนไปถึงมรรคผลนิพพานได้ไหมครับบอกว่ายังไม่รีบนะครับคิดว่าถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่กดดันแต่พยายามเดินเส้นทางให้ได้มากที่สุดครับเหตุ hey, ที่จะทําให้เรานั่งสมาธิได้ดีไม่ใช่อยู่ที่ศีลหรอกอยู่ที่สติถ้าศีลไม่ด่างพร้อยแต่ถ้าสติยังไม่ต่อเนื่องยังไม่เป็นสัมปชัญญะมันดั้มั น, น, นยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ ยังนอยเน้นที่สติอยากทราบว่าสวดมนต์ไหว้พระจําเป็นต้องสวดครบสามจบเก้าจบไหมครับหรือแค่สดจบเดียวก็พอครับก็ เ, เหมือนกับการกินข้าวการกินข้าวเราจะกินกี่คําำดีตอนนี้เราจะไม่นับคํานี่ยเราจะดูที่ทํางนะว่าอิ่มหรือไม่อิ่มการสวดมนต์ก็แบบเดียวกันเป็นการให้อาหารกับใจคือให้ความสง บ, บสุขกับใจ ถ้าเราสวดแค่คําเดียวแล้วจิตสงบสุขก็เอาแค่คําเดียวก็พอแต่ถ้าสวดร้อยคำร้อยจบมันยังไม่สงบยังไม่อิ่มก็ต้องสวดไปเรื่อยๆจน ก, กว่ามันจะอิ่มนะคุณบีวีครับขอบความเมตตาครับหลายครั้งที่ชวนคุณแม่ไปใส่บาตรพระด้วยกันแต่คุณแม่บอกถ้าจะใส่บาตรต้องขอทํากับข้าวเองไม่ยอมซื้อกับข้าวใส่บาตรพระ ก็บอกไปว่าซื้อใส่บ้างก็ได้ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้ใส่บาทเข้าใจถูกหรือไม่ครับคือมันก็แล้วแต่คนใส่คนทีเขาอาจจะมีความเชื่อและมีความปลุกฝังมาว่าจะทำจะใส่บาทนี่ต้องทำกับข้าวเองก็อาจจะฝังติดอยู่ในใจหรืออะไรคิดว่าถ้าไปซื้อมาใส่บาทจะไม่ได้บุญเท่ากับทําเองก็ได้ก็เราอยากจะทําเอง ซึ่งความจริงทำเองมันก็ได้บุญนอกจากการให้ทานแล้วมันก็ได้บุญจากการมีความเพยียรทำกัข้าวเก็ต้องมีความขยันใช่ไมครับมีความขยันได้ความ ข, ย, มามขยันในการทำทำกับข้าวอมะฉะนั้นจะได้บุญมากกว่าได้บุญอย่างอื่นเพิ่มได้บุญจากการเสียสละแล้วยังได้บุญจากการมีความเพยียรมีความขยันหมั่นเพยียรึ้นมา อุบัติเหตุขับรถชนแมวตายคนขับบาดไหมครับถ้าไม่มีเจตนาไม่มป็นอบตั้งใจจะทําทให้แมวตายไม่บาดนะเรียกว่าป็นอุบัติเหตุคุณเบนจาครับทําไมการฝึกสมาธิเป็นประจำทําให้เราเป็นคนเฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องต่างๆและไม่ชอบอยู่กับคนหมู่มากแบบนี้เรามาถูกทางไหมครับอ้าวก็เรื่องสมาธิเพื่อทําให้ใจเราไม่เบิกขาความเฉย ไม่วนวายไม่ดีเลยใครดาก็เฉยใครจะทำร้ายเราเราก็เฉยเราไม่เดี๋ยวดร้อนอันนี้แหละคือการรักษาใจของเราไม่ให้ทุกขการทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรคนไข้ที่เรานวดให้เขาเขาจะได้รับไหมครับเจ้ากรรมนายเวรของคนไข้คนไข้ต้องไปนคนทําเองแต่ว่าเราไม่มี เพราะเราเขาเราไม่ไม่เป็นไม่ไม่ได้ เ, เป็นเวนเป็นกรับกันมันไม่เกี่ยวกับเราถึงเกี่ยวกับของคนใข้คนไข้ต้องเป็นคนทําเองอุทิศบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเผื่อเจ้ากําในเวรอาจจะโอโหสิกรรมให้ก็ได้แต่ก็ไม่ได้บางทีเขาก็ไม่ยอมอโหสิเขายังต้องการที่จะมาอ่านั่นแงแครเราอยู่มันก็ห้ามเขาไม่ได้อยู่ดีคุณหาฟาครับ แล้วการพิจารณา น, นึกภาพผมขนเล็กฟังหนังต้องพิจารณาตอนเราเข้าสมาธิเท่านั้นหรือเปล่าหนูนั่งสมาธิแค่นิ่งยังวกแวกอยู่ยังไม่รู้จักความสงบนิ่งนานๆขนาดนั้นพอจะพิจารณาได้ประโยชน์ไหมครับทําถูกไหมครับวันนี้พูดมาแล้วกี่รอบแล้วเวลานั่งทําสมาธิไม่พิจารณาอะไรเล ย, เลยให้จิตนิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งถ้าอยากจะคิดปรุงแต่งทางปัญญาต้องร อ, อกจากสมาธิก่อน คนโสดที่ไม่มีคู่ถือว่าเป็นคนมีกรรมหรือเปล่าครับคําว่ากรรมนีงหมายความอย่างไรคว่ากรรมก็คือเป็นคนทําบาปหรือเปล่าหรือว่าคนที่เป็นเป็นวิบากกรรมเป็นเป็นผลที่ไม่มีหรือเปลที่มันมาเป็นคนที่ไม่มีคู่ว่าจะทำจริงคนที่ไม่มีคู่เนี่ยเป็นบุญมากกว่าเป็นบาปนะเพราะจะได้ไม่ต้องโทษกับคู่ครองของตน เวลามีคู่แล้วมันก็ต้องมีความรักมีความห่วงมีความห่วงแล้วบางครั้งถ้าเกิดมีการะทะเลาะ ก, กันขึ้นมาก็ต้องเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจขึ้นมาการอยู่คนเดียวนี่มันก็จะไม่มีปัญหาหล่านี้ตามมาเห็นจะเรียกว่าการอยู่คนเดียวนี่เป็นบุญน่าจะดีกว่าเป็นบาปนะคุณระลึกครับกายนิ่ง นั่งสมาธินะครับกายนิ่งแต่ใจไม่นิ่งจิตสายไปนั่นนนนี่แต่กายนิ่งมากบางทีหยุดหายใจถ้าจิตจับได้จะกลับมาเริ่มหายใจใหม่อันแรกเป็นสมาธิไหมครับกับน้ำสการครับอันที่สองถ้าหยุดหายนั่นหายใจนานๆจะตายไหมครับคือมันไม่อยูดไม่เราหยุดมันไม่ได้เหรอการหายใจนี่มันเป็นเรื่องของร่างกายเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิเราไม่ได้มานั่งเพื่อควบคุมเราหายใจมาให้เราหายใจหายไป หายใจของเขาเองถ้าเราไม่ไปยุ่กับเขาก็ไม่อยู่หายใจครับนอกจากว่าถ้าเขาเป็นโรคภัยแค่เจ็บอะไรบางอย่างที่ทําให้ปอดไม่ทํางานอันนี้ก็จจะอยู่หายใจได้แต่ไม่ได้เกิดจากการมานั่งสมาธิแต่อย่างใดไม่มีการปรากฏว่าคนที่นั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วจะตายจากการยูลมหายใจแต่อย่างใดเท่านั้นไม่ต้องกังวลอย่าไปควบคุมครับอย่าไปอ่านลมอะไรก็แล้วกัน แย่าไปอั้นลมายใจไว้กั้นลมหายใจไว้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องก็คือดูลมดูลมห้เขาหายไปให้เขาหายใจเขาเองโดยโด ย, โดยอัตโตนมัติของเขาการที่เราแนะนําคนอื่นโดยการให้กําลังใจตอนที่เขากําลังทุกข์จนเขาหายทุกข์แนะนําให้เขาสวดมนต์บวชพระ คนที่แนะนำนี้เป็นบุตรได้บุญแบบไหนครับก็ได้ธรรมทานไงเป็นการให้ธรรมะแท่นี่ให้เงินทองเขาแล้วก็ให้ธรรมะบองวิธีการปฏิบัติจิตใจเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์คุณอ๋องครับปัจจุบัน AI สามารถจะอ่านใจคนได้ด้วยการสแกนสมองของคนออกมาเป็นคำเช่นในโซเชียลมีเดียเรื่องนี้ทางพุทธศาสนา อธิบายว่าอย่างไรครับอันนี้เราก็ไม่ไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์แล้วที่พูดมานี้จริงไม่จริงก็ไม่รู้การศึกษาสมองนี่ไม่รู้ใช่ไหมอ่านใจของคนได้หรืออันนี้เราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินว่าเป็นเรื่องทีศได้รับการพิสูจน์ถูกต้องแล้วไม่อย่างแต่ในความรู้สึกของเราสมองไม่ใช่ใจความคิดไม่ได้อยู่ในสมองแต่เป็นสมอง ไปสแกนสมองอย่างไรมันก็ไม่มีความคิดให้ให้เรารับรู้ได้เพราะความคิดมันอยู่ในใจเป็นนา ม, มาขันเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งไม่ได้อยู่ในร่างกายตามตามหลักของวัทตศ า, าสตร์นะครับปฏิบัติแล้วเลิกปฏิบัติปฏิบัติไม่ต่อเนื่องทำไมถึงนิสัยไม่ดีครับถ้าเป็นคนจับจดเนี่ยเป็นคนที่แม่มีความแน่วแน่มันคงกลับ เจตนาของตนเองมีเจตนาแต่บางทีก็พอถึงเวลาจะทำเพื่อบางเวลาก็เกิดความเกียจข้ามขึ้นมาก็ไม่ทำเรียกว่าไม่มีสัจจะมีความตั้งใจมีอธิษฐานแต่ขาดสัจจะมันต้องมีทั้งสองอย่างมีความตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะความจริงใจไม่โลเรยไม่เปลี่ยนใจคุณซีฟครับถ้าเรา ซื้อฉลากอมสินฉลากอมสินแบ่งฉลา ก, กินแบ่งรัฐบาลลงทุนในหุ้นลงทุนในทองเป็นการเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งแบบนี้ถือว่าเป็นการพนันผิดศีลข้อห้าไหมครับคือการพนันนี่มันเป็นการแบบเสี่ยงโชคจริงๆไงเพราะงู้จะได้หรือไม่ได้การลงทุนนี่เราสามารถศึกษาแนวโน้มของสินที่เราไปลงทุนได้ว่ามีโอกาสที่จะได้มากกว่าเสียหรือไม่เราสามารถที่จะแยกแยะได้ ถ้าโอกาสที่เราเสียงมากพอได้เราก็อยากไปลงทุนในในใ น, ในสินค้าอันนั้นให้ไปลงทุนในสินค้าที่มีแนวโน้มมีประสบะการณ์มีอดีตที่ดีมาเป็นเครื่องยืนยันว่าโอกาสที่จะได้กําไรนี้มีมากกว่าขารทุนอย่างนี้ก็เรียกเป็นการลงทุนเหมือนกัรที่ทําธุรกิจเอ่ะคนั้นธุ ร, รกิจเปิดร้านก็เหมือนกับเสี่ยงโชคกันใช่ไหมเปิดร้านมันต้องจะมีลูกค้ามาซื้อของก็เปล่า เหมือนก็ต้องต้องศึกษาแนวโน้ม ว, ว่าเมื่อเราทำตรงนี้แล้วโอกาสที่จะได้กำไรกับโอกาสที่จะขาดทุนอันไหนมันจะมากกท่ากันบอหลักก็เรียกว่า feasibility study ศึกษาความเป็นไปได้ก่อนพวกที่เขาเล่นคุ้อยิงๆก็ต้องศึกษาก่อนว่าความเป็นไปได้ของหุ้นตัวนี้มีโอกาสจะขึ้นหรือจะลงน้อยเท่าไหร่ถ้าเล่นแบบมีเล่นด้วยปัญญานี่ไม่เรียกว่าเป็นการเสี่ยงโชคไม่ถือว่าเป็นการนัน พ้าเลนเนี่ยเล่นด้วยโมหะวิชาไม่รู้เรื่องเลยใครก็บอกให้ซื้อคุณนี้ดีก็ซื้อตามเข้าไปวันนี้จะเป็นพวกแมงเมาใช่มารครับใช่ครับมีภาระงานที่หนักมากครับจะวางใจอย่างไรดีครับก็อย่าไปแบงมันสิงานทนําไปได้ทนายกับท่า น, นั้นมันก็จะไม่หนักใจที่หนักใจเพราะเราต้องทําไม่ได้ทําไม่ได้ถ้าไม่ได้แล้วเราจะ วิตกกังวลเสียใจอย่าไปยึดไปติดกับงานมากจนเกินไปทำตามหน้าที่ของเราตามกำลังของเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วเราก็จะไม่หนักอกหนัใจมีคนรู้จักเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตอนนี้มีอาการปวดทรมานมากหลวงพอจะให้กำลังใจหรือให้สติเขาได้อย่างไรบ้างพูดกับเขาตอนที่เขาวิสติอยู่ครับ ก็อยู <to> graduate, ่ท to ี่ว่าเขาอยากจะฟังอะไรจากเราหรือไม่ถ้าเราไปพูดเรื่อที่เขาไม่อยากจะฟังแทนที่เขาจะมีความสุขใจก็อาจจะทูกใจก็ได้เราต้องดูก่อนว่าเขาเขาอยากจะฟังอะไรถามเขาก่อนว่าอยากจะฟังอะไรอยากอยากให้พูดอะไรดีกว่าที่ไปพูดเนาะแทนที่จะทำให้เขาสบายใจอาจจะทำให้เขาเคิียดขึ้นมาก็ได้ ท่าอาจจะไปบอกว่าเราบมือความตายเป็นธรรมดารับมือความตายเป็นธรรมดาดูเขาจะรับได้เปล่าถ้าก็รับได้ก็ดีเป็นประโยชน์เป็ น, ปนสติเตือนใจขเขาเป็นการฉีดวัคซีนให้ขเขาแต่ถ้าเขาไม่พร้อมที่จะรับมันเป็นพูดนี้เดี๋ยวเขาก็โกรธเราเกเลียดเราขึ้นมาเหมือนกับเราไปสาปแช่งเขางั้นถ้าไม่รู้จะพูดเราก็อย่าพูดดีกว่าสรุปง่ายๆ ถือศินแปดครับแต่ต้องทานยาช่วงเย็นจึงต้องทานอาหารเย็นบาปไหมครับไม่บาก็เพียงแต่ผิดสินข้อเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้รักษาสินก็อนั้นไปไม่ได้บุญคุณแดงครับขายก๋วยเตี๋ยวเอาเนื้อหมูมาขายบาปไหมครับยิ่งขายดียิ่งใช้หมูเยอะครับถ้าเป็นหมูที่ตายนะเนื้อหมูที่เขาตายแล้วขายอยู่ในตลาด โดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเขาก็ไม่บาปแต่ถ้าเราไปสั่งข้าวโหน้าพวกเนื้อยาหมูสิบโลเนี้ยแล้วถ้าบอกว่าเป็นสั่งให้เขาไปไปฆ่าหมูมาขายเอาเนื้อหมูมาขายเราอย่างนี้ถึงจะเป็นบาปงั้นอย่าไปสั่งโลง่งละอย่าจะซื้อเนื้อหมูก็ไปที่ตลาดเดินฐานดูตามเขียมหมูต่างๆถ้ามีเนื้อหมูที่เราต้องการก็ซื้อมาอย่างนี้ไม่บาปบาปอยู่ที่คนที่เขาเขาฆ่าแต่เราไม่มีส่วนด้วยเราไม่มีส่วน ไปสัวงเขาให้ไปฆ่าให้กับเราระหว่างการทําบุญแบบมีกิจกรรมมากๆเช่นชวนคนมาทําความดีละเลิกสิ่งไม่ดีกับการปฏิบัติจิตแบบไหนจะดีกว่ากันครับอ๋อปฏิบัติจิตมันต้องดีกนะว่าแน่นอนเพราะได้ความสุขมากกว่ า, าความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมดี้มากกว่าการปฏิบัติการทําเป็นจิตอาสาและเป็นการทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมน มันได้มัมได้ความสุขที่น้อยกว่าคุณทัศนีครับจะมีวิธีฝึกสติอย่างไรในชีวิตประจำวันที่ไม่ให้หลงคิดครับก็ให้คิดถึงคาว่าพุโทโธไปทั้งวันเนะีย่ยปล่ห้ไม่คิดเรื่องนั้นอะไให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจตอนใส่บาทเราควรจะอธิษฐานไหมครับ ถ้าที่ฐานขอเนี่ก็อย่าไปอธิษฐานให้เสียเวลาเพราะเราจะขอไม่ได้เราจะได้เนีเราจะได้ผลจากการที่เรากระทำเช่นผลที่เราจะได้จากการกระทำใส่บาตก็คือหนึ่งเราจะได้ชนะความปณิอของเราอันนี้เราได้แน่แธรรมดาถ้าเราไม่ได้ใส่บาตไม่ได้เสียสละแบ่นปันเราก็จะโงเงินของทองแต่พอเราต้องเอาไปเอาเงินส่วนนี้ไปทําบุญใส่บาตมันก็ชนะความโขงเงินของทองในส่วนนี้ไป อันนี้ได้แน่น่ะเสาวได้ความเมตตานะการโกลนาเราก็อยากจะให้คนที่เขารับของจากเราได้ด้วยความสุขอันนี้สถาบ า, ารเป็นการแผ่เมตตาการกระทําผลของการกระทำนี่มันมาโดยอัตโนมัติไม่ว่าเราจะขอหรือไม่ขอก็ตามแต่ถ้าจะขอว่าใสาบ่บาตแล้วขอให้น้ำนมเลยขอให้ได้แฟนที่ดีอย่างเงี้ยอย่าไปขอให้เสียเวลามันคนละเรื่องกัน คุณมูเซ่ครับเดินไปเหยียบพระที่ใช้ห้อยคอโดยไม่ได้ตั้งใจบาปไหมครับไม่บาปผิดศีลข้อสถ้าเขาแอบคุยกันมีการให้เงินกันถือว่าผิดหรื อ, อยังครับต้องไปร่วมเพศกนะไรอย่างผิดข้อ3เพิ่งผ่านวันเกิดของพ่อแต่พ่อหนูเสียชีวิตไปแล้ว ครอบครัวเลยทําบุญโดยการแจกข้าวกล่องฟรีแบบนี้รับใจเราเป็นสุขไหมครับอิ่มบุญทั่วหน้าหลังจากนั้นปวดน้ําให้ท่านครับอก็เราต้องรู้ว่าเราสุขไว้นะเวลาที่เราทําไปแล้วถ้าสุขเราก็แสดงว่าเราเร้อิ่มบุญแล้วก็สามารถอุทิศบุญให้กับท่านไปได้เอาเงินไปใส่บาตรพระบาบไหมครับไม่บาบหรอ นี่แต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกกดของพระทั้งนั้นเองพระนี่ท่านมีนก่อนวิธีรับเงินนับทองโดยปกติท่านก็จะให้มอบไว้กับลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เป็นผู้รับแทนให้เ้องเก็บไว้ให้ตัวท่านเองในท่านจานไม่แต่ต้องเงินเท่าคุณกิกส์ครับนั่งสมาธิแล้วอยู่ดีดอยู่มีภาวะตึงๆเช่นฟันกรามขบแน่นพอรู้สึกอย่างนั้นก็คิดว่าเริ่มขบมานานหรือ ย, ยัง อยากคลายออกก็นึกถึงร่างกายตอนที่ไม่ อ, อึดอัดมันเป็นยังไงแล้วตั้งใจว่าจะคลายแล้วค่อยๆผ่อนก็เลยคอยดูอาการตอนความแน่นมันค่อยๆหายไปแบบนี้ถือว่าเป็นการพิจารณากายไหมครับไม่หรอกเป็นการไม่ได้ทาไม่ได้ภาวนาไม่ได้นั่งสมาธินั่งสมาธินี่ต้องไม่นสนใจกับเรื่องอากายของร่างกายเลยให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวหร่ออยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไปเพื่อยความคิดต่างๆ นี่นั่งไปแล้วคิดไปเนี่ยมันไม่ได้นั่งสบายที่มันนั่งแล้วเอาไปคิดปรุงแต่งอาจจะคิดว่าปรุงแต่งก็เป็นเรื่องปัญญาก็ได้แต่ถ้าจะคิดเรื่องปัญญาต้องพิจารณาความาไม่เที่ยของร่างกายความไม่มีตัวตนของร่างกายถึงจะถึงจะเป็นปัญญาอย่างแท้จริงพระไปขับรถเองบาปไหมครับ ก็มันมันไม่เกียรติสมไม่ควรทำแล้วเป็นพระไม่สมไม่ควรที่จะไปขับรถไปอะไรถ้าที <atan> ่เห็นนะครูบาอาจารย์ไม่เห็นมีรูปไหนท่านขับรถกันนะขับไปอย่างนั้ก็มักจะมีจัดทานญาตโยมเป็นผู้ขับรถให้คุณตะวันครับทําไมมนุษย์จึงต้องมีกิเลสตัณหาครับมันมันบิ้วอินมากับใจเขาบิ้วอินมันยังมันมันถูกปลุกฝังมาอยู่ในใจ ตั้งแต่ไหนแต่อะไรนะโอเจ้าพญาเป็นคนอยู่จุดเริ่มต้นก็ไม่มีจุดเริ่มต้นของกิเลส ท, ที่มาอยู่ในใจนั้นอย่าไปสนใจกับว่าทําไมต้องมีกิเลสขอให้รู้ว่าเราต้องกบจัดกิเลสจะดีกว่าพ่ากิเลสเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราการทําบุญที่ทําเยอะเกินตัวได้บุญไหมครับได้ทําไมเยอะเกินตัวไปถึงไรไม่เข้าใจ ไปทําท่าที่เรามีอยู่ถ้าถ้าทําแล้วเราไปกู้เงินมาทําต่อเนี่อาจจะเรียกว่ายากเกินตัวอย่างนี้ก็จะไม่ได้บุญเพราะมันจะได้ความทุกข์ใจจากการไปกู้เมันก็ามาทํำบุญคุณวิทิตครับจะถือศีลแปดทุกวันพระครับควรจะเริ่มต้นอย่างไรครับก็ศีลแปดก็เริ่มต้นได้นะแล้วต่างเดินตางขึ้นมาในวันพระเลยหนึ่งวันกันหนึ่งคืน การเที่ยวศีลแปดเนี่ก็ถือหนึ่งวันกันต่งขึ้นนั่นตั้งแต่วันแล้วการเริ่มต้นของวันนั้นใช่วพระสมมตว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระเราก็เริ่มรักษาศีลแปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอพอพอเป็นวันวันใหม่ขึ้นมาลูกกอรุณเนี่ยแลาะช่วงนี้ก็ประมาณหกหกโมงเช้าเราก็เริ่มรักษาตั้งแต่หกโมงเช้าของวันพรุ่งนี้ไปนะครับถึงวันบันเออรนี้หกโมงเช้าเราถึงจะเริ่ม รักษาสิด18ทุกวันพระหนึ่งวันกันหนึ่งคืนวันภาคคานี้มันจะตอนประมานยังคานนะวันเลนี้พอวันยังคานเช้าพอตื่นขึ้นมาก็ถึง18ไปทั้งวันทั้งคืนจนมตั้งถึงเช้าวันพุธยครบถึงวันกันหนึ่งคืน ตอนใส่บาตรเราจบหัวจบกล้าอุทิศบุญให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วผลบุญจะถึงท่านเหล่านั้นไหมครับคือถ้าท่านรอรับอยู่ท่านก็จะได้รับถ้าท่านไม่รอรับอยู่ท่านก็จะไม่ได้รับอยู่ที่สถานภาพของท่านว่าท่านอยู่ในฐาน ะ, ะที่เป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่อดยากขาดแคลนและเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่สมบูรณ์ด้วยบุ้ ถ้าเขาเป็นเทพเทวด า, าเขาเขาเขาก็จะไม่มารอา ร, อรอบับส่วนบุญของจากเราแต่ถ้าเขาเป็นเปนเป็นขอทานเขาก็อาจจะมารอรับขอบุญจากเราก็ได้คุณอภิชาติครับพระพุทธเจ้าตรัสเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจากไปว่าพวกเธอทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดดังนี้อยากสร้างความหมายคําว่าไม่ประมาทที่เป็นสัจธรรมมีกีนนัยยะครับ ท่าที่เราสร้างก็คืออย่าอยู่เฉยๆให้นี่ทำกิจที่เพิก่กัจจุนียก็ทําทเพราะว่าความตายนี่มันจะมาได้ทุกเมื่อทุกเวลาพอถึงเวลาตายแล้วจะไม่สามารถทํากิจที่คนรจะทําได้คงสังว่าให้ยังประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้ให้ถึงพอด้วยความไม่ประมาณ ก, ก็คื อ, อย่านอนใจอย่าคิดว่าอย่าไปปอดผัดวันประกันพรุ่งวันพรุ่งนี้ก็ทําก็ได้ตอนนี้เรายังมี เายังมีทุนน้อยอ่างอนเรายังมีเวลาเยอะนอเป็นุงรอให้เราแก่ก่อนให้เราประเสษียอายุก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราเอาไปความประมาณนอนสวดมนต์นอนทําสมาธิได้บุญเท่านั่งไหมครับอยู่ที่ว่าได้ผลหรือไม่ไงถ้านอนสวดมนต์นอนสมาธิแล้วจิตสงบในความสุขก็ได้บุญมันอยู่ที่ผลนะหรือว่า คือความสุขความสงบไปขึ้นหรือหม่คุณมีโอครับถ้าเราทําบุญกุศลอะไรไว้บ้างเราต้องจดจํำไหมครับว่าเราทําสิ่งใดไว้ครับไม่ต้องจดจำนะมันถูกฝังอยู่ในใจของเราเราตระหนมันทําหมันให้แมวบาปไหมครับไม่บาปเลี้ยงปลาในอ่างเลี้ยงปลาให้อาหารทุกวันบาปไหมครับ ก็ไปกัดขังเ้าเลยน้ํางคนอย่าไปก็อยู่อย่างอิสระจะดีกว่าไปสร้างความทุกข์ให้กับเขาจะเรียกว่าบาปก็ได้บาปบาปจากการด้วยเวรเวียนเขาไปทําไปทําให้เขาต้องทุกข์เพราะก็ต้องอยู่แบบถูกกัดขังนู่ติดคุกติดตารางมันจับเข้าไปขงังคุกขังตารางนงี่เวลานั่งสมาธิลืนน้ํำลายได้ไหมครับไม่ได้ครับ ก่อนใส่บาตรเรากินกาแฟไข่ลวกไปก่อนใส่บาตรผิดไหมครับคนละเรื่องการเรื่องกินอยของเราก็เรื่องขิงเวของเราเรื่องใส่บาตรกัเรื่องของเรามคนละเรื่องกันจะกินก่อนกินหลังใส่บาตรกม็มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคนละเรื่องกันเวลาทํางานต้องใช้ความคิดตลอดเวลาเราจําเป็นต้องอยู่ในสภาวะสิ้นคิดขณะปฏิบัติสมาธิเท่านั้นใช่ไหมครับก็แล้วต้องหยุดคิดให้ได้ จิตเต็มสงเข้าสมาธิได้งั้นเวลาทํางานจึงไม่ยย ใ, ใช่เป็นเวลาที่เราคนควรจะมาปฏิบัติสมาธิมาปฏิบัติสติกันเพราะเราหยุดความคิดไม่ได้เพราะเราต้องใช้ความคิดตลอดเวลาต้องรองวันหยุดก่อนวันหยุดที่เราไม่ต้องทํางานแล้วถึงสามารถมาเจริญสติเพื่อหยุดความคิดเพื่อเข้าสมาธิต่อไป เป็นหนี้อยู่สามแสนญาติบอกว่าจะช่วยนะครับแต่เขาจะเอาที่นาที่แม่โอนให้มาช่วยแบบนี้จะสมควรให้ญาติช่วยไหมครับเพก็แล้วแต่เขาถ้าเขาอยากจะทํางินเขาไม่เดือดร้อนเราก็เราก็จะรับการช่วยเหลือของเขาได้ไม่รับก็ได้แล้วแต่เราแลแต่คําสพอใจของเราคุณนิดครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อใดเราควรจะไปนานดูภาพซากศพครับ ก็อยู่ตาเท่เราอยากจะเห็นความจริงของของชีวิตขเราของร่างกายของเราว่าเราไปร่างกายเราก็ต้องตายก็ไปดูซากศพยู่เป็นการซ้อนไว้ก่อนว่าต่อไปร่างกายเราก็ต้องเป็นซากศพเพื่อที่จะทําให้เราไม่กลัวตายคิดว่าตัวเองทําแต่ความดีมาตลอดแต่ทําไมเจอแต่เรื่องร้ายๆมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะเป็นเรื่องจกแพ้ชนแจก เราทำทุกคำพูในวันนี้ผลมันไม่เกิดถึงคําดีในวันนี้อาจจะส่งผลชาติหน้าปีหน้าไม่ได้แต่ผลที่เหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเป็นจากบุญแะบาปที่เราทําในอดีต ท, ที่ผ่านมาแล้วมันยังเป็นคนเราจับวะกันบุญที่เราทําวันนี้มันยังไม่ส่งผลนะแต่ผลที่เราเล่าวันนี้มันเกิดผลจากบาปที่เราทํามาในอดีตก่อนหน้านี้คุณอัมพรครับ ถือศีนูโบสถ ด, ดื่มน้ําท่วเหลืองได้ไหมครับมีคนนํามาเลี้ยงครับก็แล้วแต่วัดบางวัดก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่อเพราะว่าก็ถือเป็นอาหารถ้าเป็นอาหารก็ก็ไม่ดื่มกันทั่เหลืองแต่ถ้าเป็นเครื่องดืง่มเขก็ดื่มได้การภาวการภาวนายืนเดินนั่งนอนอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับได้ได้มากได้น้อยอยู่ที่ว่าเรามีสติอยู่ครับ ในมุญญาบุญนั้นน้อยตรงนี้เราต้องการสติแลาต้องการสึกสติเพระนั้นถ้ายูในมุญาบุญไหนเราได้สติมากกว่ามุญญาบุญอื่นมุญญาบุญนั้นก็ถือว่าได้บุญมากกว่าคุณใช้ยาผ้าครับผลไม้ที่ไหว้พระแล้วนําไปใส่บาตรได้ไหมครับได้ถ้ามันไม่เน่าไม่เสียนะไม่ควรเอาของเน่าของเสียไปใส่บาตร ไปทําบุญเมื่อไปให้ใครก็ตามเวลาให้ของใครคนจะให้ของที่ที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์อย่าไปให้ของที่เราจะทท่น้ำนี้ว่าไปให้เขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทำบุญเป็นการไปทิ้งทิ้งทิ้งขยะมากกว่ากินมังสวิรัตในวันพระครับได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกการกินนี้กินเนื้อสัตว์และกินผักนี่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันแต่่อยางใด ถ้ไม่ฆ่าสัตว์ในวันพระเนี่ยได้เงินถ้าสมมติเราเคยฆ่าสัตว์ทุกวันพอวันพระเนี่ยมันหยุดฆ่าสัตว์หนึ่งวันนี้เราก็จะได้เงินจากการล่าเรื่จากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคุณอู๊ตครับเราเป็นโสดไม่มีญาติกลัวแก่คลัวแก่มาไม่มีใครดูแลเราจะทํายังไงไม่ให้คิดแล้วเป็นทุกข์ครับก็ดูพระพระเขาไม่มีญาติพระเขามาบวชกันไม่มีกใครดงไลก็ตายก็อยู่ท่านดูแลตัวเองว่าท่านก็ยอมตายก็ปล่อยันตาย เห็นทำไม่กัวลมันเลยทำไมนั่งสมาธิแล้วมันง่วงมากเลยครับก็าจะขาดนอนจะ น, น, นอนไม่พอหร้อกินมากเกินไปมันก็มีสองอย่างถ้ก า, งากินอาหารมากๆอิ่มท้องเวลามา น, นั่งสมาธิมันก็จะหลับคุณนภอนครับลูกสาวติดเหามาจากเพื่อนคือเราต้องฆ่าเหา แบบนี้เราบาปมากไหมครับคือถ้าไม่กําจัดลูกก็เป็นเหาเยอะครับไม่รู้ว่าเหานี่มีมีวิญญาณหรือบาปไมอาจารย์ถ้ามีวิญญาณเป็นสัตว์เหมือนกั บ, เ, กบเหมือนกับสุนัขเหมือนอไรไปฆ่าของมันก็บาปนะครัเหานี้มันเหมือนเป็นมแมลงเลยครับอาจารย์ครับอืถ้าเป็นมดเป็นแมลงมันก็มีเยอะวิญ ญ, ญาณมันก็บาปนะ ลูกเกเรทำตัวไม่ดีแม่เสียใจมากมีทางแก้ไขบ้างไหมครับแก้ไขที่แม่ไม่ใช่ไปแก้ไขที่ลูกความเสียใจเกิดจากความอยากของแม่เองอยากให้ลูกดีเพราะลูกไม่ดีแม่ก็เลยเสียใจถ้าลูกไม่อยากเสียใจถ้าแม่ไม่อยากจะเสียใจก็อย่าไปอยากให้ลูกไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีก็ยอมรับความจริงว่ามันไม่ดีก็จะไม่เสียใจคุณประชาครับ การเน้นให้เข้าใจว่าเป็นธรรมดาการมีกิเลสมีอวิชชามีความประมาณมีว่า ก, กรรมไม่ดีก็เป็นธรรมดาด้วยหรือไม่ครับไม่การมีกิเลสนี่มันเป็นกา ร, ไ ม, การไม่เป็นการธรรมดาเป็นการผิดธรรมดาเราต้องกำจัดมันเหมือนกับการมีโรคภัยไข้เจ็บนี้มันเป็นมีเชื้อโรคในร่างกายอะไรนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาพอมันเข้าไปในร่างกายแล้วเราก็ต้องกำจัด นั่งสมาธิไปสักพักลมหายใจเบากำหนดไม่ได้ว่าลมเข้าหรือออกต้องกำหนดหาลมไหมครับไม่ต้องก็ยืดดูอยู่ที่จุดเดิม ด, ดูไปเฉยๆบางทีเราอาจจะเบาลงหรืสติเรายังมีกำลังมากไม่พอที่จะเห็นลมได้ก็ให้มีสติรู้อยู่ที่จุดเดิมรู้ว่าตอนนี้จับลมไม่ได้ก็ยกับความว่างไปคุณเอครับ พระส่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าผิดไหมครับไม่ผิดหรอกทาได้ถ้ามีของเหลือเฟือก็รอมินทบา ท, ทั้งวันนี้ก็นี่มินทบาต ท, ที่เหลือจากจากให้พระแล้วก็ก็มีคนขอทานมาขอคนยากจนมาขอรับไปทานเงนทุกวันไม่ต้องไปส่งไปถึงเมืองเหนือใกล้บ้านเราในกคนตงทุกข์ได้ยากก็ม่เยอะยะไปหมดเป็นแต่ว่าเป็นกระแสไง พอมีกระแสะขึ้นมาปั๊บโอต้องไปทักไปทิศทางเดียวกันหมดเลยต้องขึ้นเหนือไปหมดเลยคนที่อดอยากขาดแคลนที่อยู่ใกล้บ้านเราก็ลืมไปเลยไม่สนใจเลยนั่นทํามุลใกล้ตัวเราก่อนเถอะนะแล้วไม่ต้องมารอกร ะ, สะแสเรามีนคนที่เขาต้องกรรับการช่วยเหลือของเราอยู่ทุกวันทุกเวลาอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายเขาจะไม่ให้ไปทํำนะดังนั้อันนี้พูดแบบความเข้าใจให้ฟังหน่อยแล้วะบางทีมันเป็นเรื่องความเห่อกัน เองก็แสกันถ้าไม่ทำเราจะรู้สึกว่าตอนนี้ผิดแล้วสิไม่ไปช่วยเขาคุณแอปเปิลถามว่าทําไมการกินเจถึงไม่ได้บุญครับอาจารย์ก็เหมือนวัวควาย ม, มันก็กินเจมัน ไ, มได้บุญได้อย่ไหนล่ะกินผักกินเจ ก, ก็กินผักดีๆนะจะได้บุญตรงไห น, นบุญไม่ได้เกิดจากการกินเนยมันเกิดบุญเกิดจากการไม่ทําร้ายผู้ไ ม, ไม่ไม่ไปฆ่าเขา ไม่ไปฆาเขาเพื่อเอาเนื้อเขามากินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยป็นกเกิดบุญครคุณเที่ยวไปเรื่อยครับคนที่อ่านหนังสือธรรมะแล้วคิดได้แล้วว่าไปปฏิบัติธรรมกับคนที่ทําหนังสือธรรมะไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ออกบวชแสดงว่าอินทรีย์ของสองคนนี้ไม่เท่ากันใช่หรือไม่ครับก็แล้วแต่ถ้าใครบวชได้ก่อนคนนั้นก็มีอินทรีย์มากกว่าอีกคน นั่งปฏิบัติวิปัสนาด้วยวิธีการวิธีดูกายความรู้สึกไปทั่วกายแต่เมื่อออกจากปฏิบัติยังมีความรู้สึกค้างอยู่บางจุดต้องทําอย่างไรครับเพลิวิธีควรจะนั่งสมาธิก่อนอย่าเพิ่งไปทางปัญญานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิก่อนให้มีความสุขจากความสงบก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาทางทางนาร่า ง, งกาย่างกายก็ไม่ได้ใหน้นั่งดูวนไปเวียนมา ให้ดูว่ามันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเพื่อสอนใจให้ยอมรับความจริงอันนี้เพื่อเวลาที่เวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายใจจะได้ไม่ทําทุกข์กับมันคุณอนงนาศครับเวลาลูกปวดหัวคิดถึงคําสอนพระอาจารย์ทนสุดๆเจ้า่ะไม่ได้นอนเลยครับไมอครับ สวดมนต์ในบ้านกับนั่งสมาธิพยายามทำแต่ทำไม่ได้นานทำยังไงดีครับใช่นั็นคือสติน้นอยๆนไะงฝึกสติให้มากกว่านี้ต้องจะนัสติทั้งวันเลยทั้งคืนเลยเอาลืมตาขึ้นมา ก, ก็พุโทโธพุโทโธลยถ้ามีสติมากเวลา น, น, นั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่ายคุณจันเพลนครับ บริจากร่างกายตัวเองเป็นอาจารย์ใหญ่มานานแล้วและตั้งใจว่าถ้าตายจะไม่จัดงานศพด้วยเพราะไม่อยากเป็นภาระใครจะผิดแปลกอะไรไหมครับก็ผิดจากคนทั่วไปคนทั่วไปเขาไม่ได้ทาแบบเราทันก็ไม่เสียหายตรงไหนนั่งสมาธิเราไม่เห็นร่างกายตัวเองเกิดจากอะไรครับก็ไม่ได้นั่ง เ, เพื่อให้เห็นร่างกายนั่งเพื่อให้จิตสงบให้เห็นความว่างของจิตใจ ใส่ซองทอดกระถิน่นซองเดียวกับหลายซองแต่จานวนเงินเท่ากันได้บุญตามจานวนซองหรือตามจานวนเงินครับอาจารนวนเงินเวลานั่งสมาธิแล้วอดที่จะคืนน้ำลายไม่ได้เลยครับต้องทาอย่างไรดีครับไว้มันไหลไปอย่าไปสนใจถ้ า, าใช้พุโทโธก็อยู่พุโทโธไปถ้ า, าดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจมันจะไหลมันจะแล้วว่าทักปากก็ปล่อยมันไหลไป ผมฟังธรรมะพระอาจารย์ได้จับหลักประเด็นธรรมะที่พระอาจารย์เทศมาว่าให้ละวางขันท่าแล้วและความอยากของใจซึ่งเป็นสาเหตุหลักส่วนใหญ่ของทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราผมเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วความอยากในขันท่าอยากให้ขันท่ า, อ ย, า, าอยู่ภายใต้การควบคุมของเราซึ่งมันไม่อยู่ในการควบคุมของเราลตลอดเวลาที่ร่างกายมันจะอยากให้มันหนุ่มเช้าแข็งแรงไปตลอดเวลาก็ทำไม่ได้ พอไม่ได้ไปนจะทำให้เกิดความทุกข์ใจเราปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากของเราเอ ง, งเท่านั้นองให้เงินพ่อแต่พ่อเอาเงินไปกินเหล้าเรายังได้บุญอยู่ไหมครับไม่แต่เราอาจจะส่งเสริมให้พ่อเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นเร็ว ข, ขึ้นก็ได้ให้บางครั้งบางคราวก็ไม่คนที่จะให้เงินคนจะให้ของแทนถ้าพ่อไม่มีข้าวก็ซื้อข้าวมา ซื้อกลับมาซื้ออะไรของมาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เอาเงินไปไปซื้อเหล้าหรือว่าไปเล่นการพนันอันนี้เพราะเป็นการให้ไป ใ, ให้ไปทำร้ายตัวท่านเองควรจะให้เพื่อทาให้ท่านทำประโยชน์ให้กับตัวท่านเองจะดีกว่าคุณวรชินครับเราจะทำใจอย่างไรถ้าเราถูกลดเงินเดือนกระทันหันครับก็ถือว่าเป็นธรรมดามีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา ทุกอย่างในโลกนี้ขึ้นไม่ลงเป็นธรรมดาเงินบาทนี่ขึ้นไม่ลงนะด้านดาวเบก็มีขึ้นมีลงเวลามันจะขึ้นมันก็ไม่มาบอกเราร้องหน้าก่อนมันจะขึ้นเมื่อมันจะลงเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนว่าเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนคุณคณิตาครับแม่สอนให้ลูกสวดมนต์ตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้เมื่อปีหกสาแม่เสียชีวิตแล้ว แม่สวยมากแม่ชอบสวดมนต์แม้ติดเตียงพอลูกเห็นแม่ตอนเสียชีวิตลูกก็เลิกฟังเพลงหันมาสวดอิติปิโสและพุทโธ ท, ทั้งวันเท่าที่นึกได้และฟังธรรมะเท่านั้นลูกทำแบบนี้ลูกจะก้าวหน้าเรื่องปฏิบัติธรรมบ้างไหมครับก็ดูผลที่เราปฏิบัติว่าจิตเราสงบมากขึ้นมีความสุมากขึ้นหรือเปล่า ขอความเมตตาครับเวลาทําบุญเสร็จแล้วเป็นคนปลื้มในบุญมากนึกบุญปลื้มในบุญยากนึกบุญไม่ค่อยออกแต่แต่ว่าเจตนาชอบทําบุญอยู่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจะได้บุญจากการระลึกบุญและประคองจิตให้นึกถึงบุญในวาระดับจิตไม่ครับอ๋อมันจะเปลี่ยนสภาพจิตใจของเราโดยอัตโนมัติเวลาทําบุญแล้วจิตใจเราจะมีความรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาอาจจะไม่ปลื้มก็ได้แต่อันนั้นเป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของของแถมความเพิ่มปิตินี่เป็นไม่ครับบางคนอาจจะไม่มีความเพิ่มปิติแต่จะมีความสุขใจอิ่มใจสบายใจอันนี้เป็นเป็นผลที่ได้ได้จากการทำบุญทำมาความอิ่มใจสุขใจมันก็จะมีมากขึ้นไปตามลําดับโดยที่เราไม่ต้องไปนึกถึงมันเหมือนกินข้าวกินข้าไปแนละ้วเดี๋ยวเท้ามันก็อิ่มขึ้มาเองไม่ต้องไปนึกถึงว่ามันอิ่มหรือไม่อิ่ม คุณสุกี้ครับบทสวดที่เราควรนํามาใช้สวดเพื่อเกิดสมาธิควรพิจารณาจากหลักไหนไหมที่ควรจะนํามาสวดและถ้าบางครั้งเราเกิดสวดผิดมีผลอะไรไหมครับน้าแต่เราเราชอบสวดบทไหนเราจําได้ก็ใช้บท น, นั้นไปเพราะเวลาสวดเราไม่ควรเปิดหนังสือสวดไม่ควรอ่านเราต้องการใช้ใจทำงานเพลงอย่างเดียวให้ส่วนงานบทที่เราจาได้ถ้าบทที่เราจาได้มันสั้นมาก็สวดหลายๆรอบไป เป็นแค่เราจำได้แค่พุทธังสานังกระชามิธรรมังสังฆังสานังกระชามิแล้วก็ส่วนในได้ล่อไปส่วนไปจนกาจิตจะสงบพนักงานขอลาออกก่อนกเกษียณพร้อมทั้งของเงินชดเชยทีแรกฝ่ายบัญชีคิดว่าเป็นกฎหมายเลยจะให้แต่หนูไปเช็กกับกอทอแรงงานแล้วปรากฏว่าบริษัทไม่ต้องจ่ายชดเชยหนูเลยแจ้งไปที่ฝ่ายบัญชีแบบนี้หนูบาปทาให้เขาไม่ได้เงินไหมครับ ถ้ามันมีหน้าที่อของเาที่จะต้องดูแารักษาผลประโยชน์ของบริษัทก็ไม่บาปอะไอย่างไดเพราะเราเป็นผู้จ้างของบริษัทคุณเรนูครับทำสมาธิประมาณชั่วโมงนึกภาวนาพุทโธพุทโธหายลมหายใจหายตัวเบาเหมือนปุยนุ่นเบาสบายพอถึงจุดนี้แล้วทำอย่างไรต่อครับก็ให้มันเบาสบายไปนานๆอย่าพิ่มเยออย่าพิ่ม ให้นั่งต่อไปให้นานที่เส็ดถ้าท้องการนานได้เจอคุณใส่ครับจะต้องแก้ยังไงไม่ให้โดนกระทำครับไม่รู้เนี่ยไม่ใครรู้จักคนณใส่ว่าเป็นใคร <c oughs> <c oughs> คุณดวงพรครับตั้งแต่ฟังธรรมพระอาจารย์ใจเย็นขึ้นมากไม่โกรธง่ายขึ้นกว่าเดิมเจ้าขาจะปฏิบัติไปตลอดนะครับ วันนี้นึถึงนิทานเรื่องหนงตารูมหนึ่งมีคนก็ไปเล่าให้หนูตาว่าตั้งแต่ฟังเทศหนูตามานี้ได<ม>้หนูเยยนขับโกรธาถยไปไหนรู้ถายไปหมดเลยหนูตาให้หบอกอีกต่อแหละ่ะจาั้นความโกรธกลับมาทันทีเลยครับ <c oughs> นี่เป็นการท่าไเลยทดสอบใจไง <c oughs> ทดสอบใจ <c oughs> ไม่จริงหรือเปล่าไม่โกรธจริงหรือเปล่า ต้องทาตอนที่เราไม่ได้เตรียมตัวถ้าเตรียมตัวเราก็จะไม่โกรธท่านนว่าอ๋ท่านหย่เราท่านทดสอบเราแต่ถ้าถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเราคิดจะหวังว่าท่านจะตอบว่าดีแล้วจ้าอย่างนี้อย่างนี้กับว่าให้ตอนไหนจะตอบหรือไม่โกรธครับถ้าไม่โกรธได้ก็ถือว่าจริงนะจริงตามที่เขาพูดหนูตาท่านพิมต้องการทดสอบท่านนะว่าที่พูดนี่พูดจริงหรือไม่จริงก็เลต้องทดสอบด้วยกันต่อบว่าตอนไหน ครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับคำว่าหินทับญ้าในทางธรรมหมายถึงทําคุณงามความดีให้มากกว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เคยทําใช่ไหมครับไม่ใช่รนเห็นทับย่าในหมายถึงสมาธิเวลาจิตสงบแล้วจิตใจไปหยุดการทํางานของกิเลสเชื่อเก่าแต่ไม่ได้ทําให้กิเลสตายก็เหมือนกับเราเห็นไม่ทับย่าช่วงที่เห็นทับญ้ายาก็งอกหน่ยขึ้นมาไม่ได้แต่พอเราเห็นออกมา ทิ่ไม้ทำยาหนึ่งพ อ, อยาได้ไดินได้ได้น้ำได้ได้นม ไ, ได้แดดมันก็จะก่อเกิดขึ้นขึ้นมาใหม่ได้นี่คือความหมายของเห็นธรรมยาสมาธิเป็นไปทับกิเลสไว้แต่ไม่ได้ทำให้กิเลสตายขอกาสกาพอาจารย์ครับวันนี้มี เ, เพื่อนๆฟังธรรมอยู่ในเฟสแปดร้อยเก้าท่านนะครับในยูเจ็ดร้อยสิบสี่ใ น, ในคลับสิบสามในติ๊กต อ, อกห้าร้อยี่สิบห้าครับ รวมฟังอยู่ 2,000 กับ61ท่านนะครับ mm. อาจารย์ตอบไป113คําถามครับวันนี้ครับ113คํ11าถามไม่น่าเชื่อลนะว่ามากขนาดนั้นครับ oh. ยังได้แค่สองทุ่มสี่สิบเองมั้งคับอาจารย์ครับคําถามหลังจากนี้ครับโอเคก็ยินดีดกับคํำถามของ ท, ท่านที่ส่งเข้ามาหวังว่าคําตอบคงจะได้ประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะนำเอาไปใช้ในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป การสรทนาทำถวัลปวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านให้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสักความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเทอิสาธุขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ